คือคือวันนี้ท่านยิมแยฟังเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเรื่องกเรื่องสมถะกรรมฐานเลยเนาะไอ้ก็ทำสมถะกรรมฐานเนี่ยมึงจะลงถึงสู่กรสินได้ให้เข้าใจเรื่องกรรมฐานอยู่ๆไปพูดกรสินตูมเนี่ยมจะไม่เข้าใจเนาะจะได้แยกให้ออกว่าในพระศาสนาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็ดีในอภิธรรมมัทธะสังหาเนี่ย ท่านจะจัดหมวดกรรมฐานก็ไว้นะให้ดูตังนี้เพราะว่าถ้าเราจะต้องการอยากจะรู้กสินเนี่ยในหลักการจริงๆรงกรสินนี่ไปอยู่ในสมถกรรมฐานนะถ้าในภาะพิธารรมปีดกเนี่ยท่านจัดอยู่ในปริเขตที่เก้าถ้าในในในขปิวสุทิมักก็ไปอยู่ในหมวดของกรรมฐานนะหมวดกรรมกรรมฐาน ฉะนั้นจริงๆแล้วในในหลักการตัวนี้คนที่จะเรียนตรงนี้เด้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถ้ามีพื้นฐานในดานการในการรู้เรื่องจิตเจอรศิกรูปนิพพานมาในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยพอมาศึกษากรรมฐานก็จะไม่ไม่ยากลำบากฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าพูดถึงคำสอนที่ท่านพระนุรุท ธ, ธาจารย์ท่านรสชนาก็าไว้เนี่ยในอภิธรรมัฐสังหา ในอภิธรรมมัตตสังขารเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานเนี่ยท่านจะพูดทั้งสองส่วนทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าไว้กรรมฐานสองอย่างก็คือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่านจะพูดเลยนะตัวกรรมฐานมีสองอย่างส่วนแล้วก็ในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็มีสมถะกรรมฐานสี่สเคยได้ยินไหม ในบดากรรมฐานสองอย่างเนี่ยสมถะกรรมฐานสังหะก็คือวิธีการรวบรวมหรือเรียบเรียงรวบรวมสมถะกรรมฐานกรรมฐานสมถะกรรมฐานแบ่งออกเป็น7หมวดนะเป็นเจดหมวดหมวดที่หนึ่งก็คือกสินสิบหมวดที่สองอสุภาษิตหมวดที่สอนุสติสิ หมวดที่สี่อปมัญญาสี่หมวดที่ห้าอาหารเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งหมวดที่หก็คือจตุธาตัววัฏฐานหนึ่งหมวดที่7ก็อรูปกรรมฐานสั้นตรงเนี้ยมันจะบุคคลที่ศึกษามาดีแล้วเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสมถกรรมฐานเนี่ยมีอยู่เจหมวดเวลาท่องจะท่องว่ากสินสิบอสุภาสิบอนุสติ1ิบ แล้วก็พรมอปมัญญาสี่สัญญาหนึ่งสับถืว่ า, างั้นที่จริงก็คืออาหารอาหาเ ร, าารปฏิกลสัญญาวาวัฏฐานหนึ่งววัฏฐานในนั้นก็คือก็คือจตุธาตุววัฏฐานแล้วก็อรูปกรรมฐานอีกสี่ก็รวมเป็นกรรมฐานสี่สบทีนี้นี่ น, นี่หมวด น, นี้ต้องจําเลยนะครับ คนที่จะเรียนกรมนมกรมฐานทั้งสมถากรรมฐานด้วยปัสนากรรมฐานก็จะมีหลักจําย่อๆพวกนี้ไว้หมดก่อนแล้วก็จะมาจําพอเรียนเรื่องกรรมฐานจบปุ๊บพอจําในหมวดทั้ง40นี้เสร็จแล้วเขก็จะไปจําในเรื่องของจริญทุกราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริญศรัทธาจริตและพุทธิจริญเขาจะจําบาลีได้เลยถ้าอย่างรุ่นอาจารย์กันนี่ครทั้งหมดเนี่ย จำเป็นภาษาบาลีราคาจริตาโทชาสัจริตาโมหาจริตาสัทธาจริตาพุทธิจริตาวิตกกาจริตาสัทธาจริตาพุทธิจาริตาวิตกกาจริตาเจติฉับพัทธิเทนะเจติตาสังกะโหจะต้องไว้เงี้ยเนี่ทเป็นต้นก็คือว่าพึงทาบว่าจริตมีหกนะราคาจริโตสัจริตโมหาจริตาสัทธาจริตพุทธิจริตพิตกจริตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ พูดถึงในเรื่องของภาวนาสามแสดงภาวนาสามเขมีบริกรรมมภาวนาอุปจาระภาวนาอัปนาภาวนาเนี่ยต้องต้องจำตัวนี้แล้วก็พูดถึงนิมิตสบริกรรมมนิมิตอุาาคานิมิตปฏิภาคคณิมิตเนี่ยแล้วก็ไปขยายในเรื่องของว่าปัทวีกสินกสินสิบมีอะไรปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกสินเนี่ย วายกสินนิระกสินปีตากสินโลหิตากสินโอทากระสินอากาศากสินอารโอกากรสินอิมานิทัศกสินนานีินามะให้กสินมีสิบอย่างนี้เห็นไหมเขาจะจำจำบารีกันไว้เลยขึ้นในใจนะครับก็พูดถึงในเรื่องของที่บอกว่าปัทวีกสินหมายถึงอะไรก็ว่าไปตามลำดับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอสุภาษิตอุทุมาตะกังวินีระกังวิปภะกังวิคิดะกัง วิขายิตกังวิขิตตกังหาตะวิขิตกังโลหิตกังปุรัวกังอัติการเจติอเมทะสะอสุภานามะนี่ก็เรียกว่าอสุภัสสี่ทีนี้ถ้าไล่ไปตามลำดับอย่างนี้ก็คือก็เริ่มเข้าใจแป๊บเดียวก็จะจําได้หมดบรรดาท่องพวกนี้บางทีไม่ถึงวันครับจำได้หมดเลยครับเพราะมันท่องย่อยๆยๆๆให้หมดพแต่พวกนี้เขาจะทวนเป็นภาษาบดีขึ้นใจเขาไว้คือเขา ทวนเขาไว้จนสามารถเห็นอะไรสามารถดึงมาเป็นอารมณ์สมปรากรรมฐานหมดนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอ่ะพอเขาเข้าใจในเรื่องของคําว่าราคาจริตโสทสัจรลิตโมหจริตศรัทธาจริตพุท ธ, ธิจริตวิตกจริตอ น, นี้เขาก็จะแยกแยะว่าลักษณะจริตแต่ละอย่างเป็นยังไงเปต้นนั้นอันนี้นี่จำหัวข้อก่อนบริกรมรมมะวนาอุปจาราพนาอัปนาปนาบริกรรมนิมิต อ, อุปจารอุขานิมิตปฏิภาคนิมิต ถ้าปฐวีกรสินเนี่ยดินที่ทําเป็นวงกลมดินดี่ที่กระทําให้เป็นวงกลมมีประมาณหนึ่งกึ่งกว่าสี่นิ้วเนี้ยหรือเท่ากับขันน้ําก็ได้หรือก็เท่ากับกระด้งอย่างเล็กก็ได้นะหรือลานตากข้าวใหญ่ๆเลยก็ได้นะแปลว่าอะไรรู้ไหมเห็นแค่พื้นถนนลานตากข้าวปุ๊บเนี่ยเขาสามารถดึงเอาเป็นนิมิตได้เลยคนฉลาดขนาดนั้นนะครับสามารถกําหนดแผ่นดินตรงนั้นเป็นนิมิตได้เลยนี่ยไปเกลีกสิน ใช้เพ่งทั่วตลอดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้นิพูดธคร่าวๆก่อนในรายละเอียดไว้อีกทีส่วนอาโปกสินน้ําที่ใสสะอาดปราศจากสีใส่ภาชนะใส่ขันก็ได้ใส่บาตรก็ได้เป็นต้นใสกระมังเป็นต้นนี้ก็ได้เนี่ยนะถ้าอย่างที่มาตรฐานเขาก็คืบหนึ่งกับสีนิ้วนั่นแหละชื่อว่ากสินเพราะพโยคเคียต้องใช้เพ่งให้ทั่วตลอดอันนี้นี่ก็เรียกอาโปกสิน เตโชกระสินกระหมายถึงเปลวไฟที่ถูกก่อขึ้นสมัยก่อนก็ก่อกองไฟขึ้นมาปุ๊บใช้แผ่นหนังปิดแล้วก็เจาะรูเจาะปิดวงกลมขนาดคือกระสีนิ้วก็เห็นแสงไฟปู๊บูๆๆอยู่นั่นแหละแต่บางคนเนี่ยไม่ต้องมีขอบเขตนี่เลยครับเห็นแค่ไฟลุกเนี่ยเขาสามารถดูดเอาเป็นนิมิตได้เขาติดนิมิตได้เลยครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นั่นแหละ แต่บางคนต้องไปฝึกทำโอ้โหแผ่แนหนังเอาแผ่นหนังไว้หรือเสือลำแพนแล้วก็เจาะก่กะอกไฟไว้โน่นเห็นตามรูในแผ่นไฟเห็นไฟทุตุตุตุตุตนี่ๆๆนอย่างนี้เป็นตน้นหรือวายโยกสินก็คือใช้ลมลมที่พัดใบมังใบไม้เป็นต้นเนี่ยหรือพัดผ้าพัดอะไรเนี่ยไหวๆเนี่ยก็สามารถกําหนดเอาลมเนี่ยเป็นนิมิตได้แล้วก็สามารถเป็นปัจจัยให้ได้คณิกาสมาธิอุปจารและอัปนาสามาธิเป็นต้นได้นี้เป็นต้นแล้วก็นิรักสินในสีเขียว สีเขียวก็ปรากฏที่ใบไม้หรือว่าผ้าสีเขียวเนี่ยทำเป็นวงกลมก็ได้นขนาดคืบกระสีนิ้วเป็นต้นปัจจุบันก็ใช้กระดาษตัดนะทำเป็นวงกลมแล้วก็มาติดกับไม้ติดกับอะไรอย่างนี้เป็นต้น น, uh huh. นี่ก็นีละสีเขียวปีตากสิ น, นี่ก็คือสีเหลืองปัจจุบันก็ง่ายมากก็แช้กระดาษสีเหลืองอะว่ากันเถอะมาตัดทําเป็นวงกลมมาตัดติดกับแผ่นผ้าแผ่นไม้ติดกับฝ้ า, ผ, า, ผ, าผนังใช้เพ่ง ถ้าไม่ไม่สว่างก็ใช้ไฟส่องนี่มันสีสวยขึ้นมานวลขึ้นมาเงี้ยนะปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยถ้าจะเอาปัจจุบันมีมี iPad ก็แหละทำเป็นรูปใน iPad ขึ้นมาก็ทำนวลขึ้นมาเลยว่างั้นจะเพ่งอะไรเงี้ยก็เอาไฟอ๋อมันก็มันก็ได้แต่เดี๋ยวจะบอกไปบอกรายละเอียด แต่จริงๆก็คือว่าอันนี้พูดคร่าวๆให้เข้าใจก่อนได้เพราะจริงๆเราจะพูดในเรื่องของปฏิวิคสินแต่จริงๆนี่พูดให้เห็นคร่าวๆพอเป็นพอเป็นเนื้อหาสาระแต่จริงๆในรายละเอียดต้องไปทํากันยังไงต้องเป็นมนุษย์การยังไงต้องไปใส่ใจยังไงได้บอกรายละเอียดแล้วก็โลหิตาคสินก็คือสีแดงในใบไม้ก็ได้แผ่นผ้าก็ได้ปัจจุบันก็อย่างที่บอกไว้ใช้กระดาษโอทาตากคสินคือสีขาว ใช้กระดาษสีขาวผ้าสีขาวแล้วก็อากาศศาสตร์ศินก็คืออากาศก็นี่ไงกแล้วก็เจาะข้างฝาเป็นรูมองเข้าไปในอากาศนั่แหละก็เรียกอากาศหรือเนี่ยถ้ามันจะเห็นกลัวมันจะไม่งามก็ขีดเป็นวงกลมช่องว่างเลยสมัยก่อนมันก็จะมีประเภทที่เป็นเสื่อลำแพนเ น, นี่ยนะเป็นทเป็นรูเลยครับ แล้วก็มองก็ไปกับเจออากาศแล้วก็แค่นั้นแหละขนาดเท่าไหรก็มองเพ่งไปที่อากาศแล้วอากาศอากาศร์กรสินังอากาศศากรสินังบริการไปอากาศกสินอากาศกสินอากาศอากาศอากาศบริการไปจนติดจนกลายเป็นนิมิตขึ้นมาเมื่อไรใช่ได้ไม่ต้องเพ่งอากาศอีกต่อไปแปลว่าติดใจแล้วงี้เป็นต้นนั่นแหละอากาศอะโรกากรสินแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยเอาแสงของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับ ก็ทําลักษณะเดียวกันที่เจ็ดช่องฝาช่องไรต่างๆอากาศธรรมดากับกับอโรมการนี่คนละเรื่องกันนะอารมการมเป็นแสงสว่างที่มันออกมาจากแสงจันทร์แสงอาทิตย์เลยนะครับมันจะนวลมันจะสว่างเจอจ้าต่างกันอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่ากระถังปัทวีกสศีนางอาโปกสศีนางเตโชกสศีนางวาโยกสิีนางนิรักสาศีนางปีตากสศีนางโรฮิตากาศงโอทาตากสศีังอากาศกาิีนางอารมกากสิีนังเจติ อีมานี้ทะกสินานีนามะคือกสินมีสิบลักษณะ ข, ของกรสินสิบแต่ไหมก็ในยุคของอาจารย์ก็ต้องคุณต้องจำบาลีได้จำเป็นบาลีเป็นจนเป็นอธัธยาศาัยเลยวางเถอะรู้เลยว่าหมายพูดถึงอะไรภาษาไทยไม่ต้องใช้ใช้ภาษาบาลีมันก็ง่ายๆนี่เองใช่ไหมอย่างเช่น ปฐวีกสินก็คือดินอโปกสินก็คือน้ําเตโชกสินก็คือไฟวาโยกสินก็คือลมเนลกระสินก็คือสีเขียวปีตากสินก็คือสีเหลืองปิตาสีเหลืองโลหิตาก็สีแดงโอทาตาก็สีขาวอากาศกสินก็คือนั่นแหละช่องว่างจากฝาที่มองพิทะลุเห็นอากาศอโรกากสินก็แสงสว่างจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่จบเลยนี่กสินสิบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่บอกก่อน ต่อมาก็แสดงอสุภาษิตนะครับอสุภาษิตก็อุทุมาตะกังวินิระกังวิปุพะกังวิคิดทะกังวิคิดวิขายิตะกังวิคิตกังหาตาวิคิตะกังโลหิตกังปุรัวกังแล้วก็อัธิการเจติอัธิกังนั่นเองกระดูกอีเมทะสาอสุภานามะอุทุมาตะก่าคือไงคือศพที่น่าเกลียดโดยมีอาการพองขึ้น อุทุมาตกะเนี่ยมันพองอุทุมันเป็นมันลมลมข้างในมันผลักให้พองขึ้นศพที่มันพองขึ้นนั่นพองขึ้นหลังจากตายแล้วสองถึงสามวันเนี่ยทำแบบไม่ฉีดยานะครับถ้าฉีดยาปัจจุบันนี้ไม่ได้แต่แบบศพจริงๆเลยครับอย่างสมมุติว่าท่านยินตายเงี้ยปล่อยไว้สองวันหนึ่งยังไม่ได้ก็สองถึงสาวันเนี่ยอันนี้ได้แล้วอุทุมาตกาศพศพมันจะเปลี่ยนตามชื่อมันไปนะครับ สองถึงสามวันเป็นอุทุมมาตะกะนะครับถ้าวินีลกากนี่ศพที่น่าเกลียดมีสีต่างๆกันที่มีสีที่มีเนื้อมากก็มีสีแดงนะถ้าเป็นหนองก็มีสีขาวส่วนมากมันจะออกเป็นสีเขียวเขียวครับท่านจึงเรียกวิณีลกากอันนี้แปลว่ามันเลยเลยสามวันแล้วครับศพประเภทนี้แอบ เ, เนี้ยมันมันลักษณะแบบนี้ก็าเรียกวิณีละกาก มันเลยสามวันแล้วครับถ้าเลยสามวันไปมันจะกลายเป็นถ้ามันเนื้อมากดันขึ้นมาก็จะไปอีกสีหนึ่งใช่ไหมถ้ามันเป็นไอ้ไอ้หนองก็เป็นสีขาวๆบางทีมันออกเขียวครับออกเขียวเนี่ยลักษณะนี้นั้นศพศพเนี่ยอสุภกรรมฐานเขาเรียกไปตามตัวอสุภะนั้นๆเพื่อแก้แก้กิเลสของคนต่างกันนะครับอย่างท่านไนเนี่ยเป็นคนมีราคะ สมมุตินะราคาชอบชอบไงไม่บางคนชอบหุ่นเนยบางคนชอบ ส, สวดทรงองเอวบางคนชอบแหมมีเครื่องประดับบางคนชอบตรงนั้นนูนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะให้พิจารณาศพประเภทไหนมันจะได้มันจะได้ทำลายกิเลสประเภทนั้นเนี่ยครับมีเป็นต้นแล้วก็วิปุปภะกาอาสุภาเนี่ยศพที่น่าเกลียดโดยมีมีน้ำเหลือง วิปปุกผกกาดแปลว่าน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกจากเนื้อแล้วก็ปรีและปรีเปื่อยพังแล้วลักษณะเงี้ยมันมีน้ำมันมีมันมีน้ำเหลืองมันมีน้ำหนองไหลไหลแค่เข า, าเนื้อมันแตกแล้วครับเนื้อมันแตกแล้วมันดันดันจนจ น, จนมีอะไรไหลออกมาแล้วครับสอบประเภทนั้นไม่เรียกอสุภะธรรมดาเขเรียกว่าวินิเอวิปปกุกผกกอสุภะสอบทินอสุภาษะศัพท์นั้นแปลว่าหน้าเกลียด ต้องบริการว่าศพนี่น่าเกลียดน่าเกลียดส่วนวิชิตทกกะอสุภะก็คือศพที่ที่น่าเกลียดโดยวิชิตท่าเนี่ยโดยถูกตัดออกเป็นสองท่อนถ้าศพขาดสองท่อนเนี่ยจะเป็นกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าวิชิตทกกะมันขาดออกจากกาันก็ใช้เพ่งอย่างนั้นแหละครับเพ่งที่มันขาดจากกันนั่นเลยเวลา น, นิมิตปรากฏมันก็ขาดนะครับมันจะมันจะ มันจะมันจะขาดออกจากกันเลยครับขาดอดย ก, กันสองท่อนเลยครับนี่มันมันมันมาติดเป็นนิมิตนะครับเออมันดีตรงที่ว่าไอ้พวกศพพวกเนี้ยเพ่งง่ายเหมาะพระทุกองค์เนี่ยสมควรเพ่งเลยครับเพราะมันติดตาเร็วเวลาคุณสึกเป็นเป็นอุกขานิมิตแป๊บเดียวล่ะแป๊บเดียวได้เลยครับไอคนที่ทํากรรมฐานอะไรก็ยากยา ก, ยากนะเล่นอสุภะโอ้โหสุดยอดเลยฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าอะไรถูกไหม ดอกไม้ของพระอริยะดอกไม้ของพระอริยะครับพอไปไปมันมันมันงามพระอริยะทะาเนเห็นโอ้โหเนี่ยสุดยอดแล้ว <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> มันติดตาเลยครับ <c oughs> มันไม่ติดได้ไงว่าท่านท่านไปกันตอนกลางวัน <c oughs> โดยมากก็ไปกลางคืน ครับมันงใหม่อ่ะนีอองเาก็สงอื่นมันไม่ได้เาต้องรีบ่าเราก็ต้องเนชั้นรรอออย่างนั้นอันนี้อันนี้มันศพธรรมชาติเลยครับไม่นศพธรรมชาติที่มันไม่ได้ดองไม่ได้อะไรเลยครับอ๋อยกผมเนี่ยยกไม่มียาฉีดครับโอ้สนุกกันเลยสมัยก่อนป่าช้า เผาธรรมชาติเงี้ยโอ้โหเปิดลงกันมานี่อ้วกเลยครับอย่าเล่าให้ฟังนะพูดเรื่องศพเนี่ยฮะมีส อ, สอบหนึ่งนคนที่บ้านตายเว้นกินยาตายว่ะเดี๋ยวนี้ก็ไอ้เจ้าเนี้ยมันมันกินยามันฆ่าตัวตายใช่ไหมไปไปมาเขาก็ยกนั้นมันไม่มียาไม่มียาหรอกครับเีนี้ก็เขานิ ม, มนต์ภาพไปสวดโอ้โห มันเน่าหว้ยมันเน่าขนาดว่าสวดบนบ้านกันไม่ไหวแล้วต้องลากสายเนี่ยไปสวดอีกบ้านหนึ่งอ่ะบ้านญาติเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้วทีแรกจะเอาแต่พระขึ้นไปกันนะบอก พ, พระพอกุศลาธรรมมาเนี่ยพอลมมันตีมาเนี่ยอึก๊กหยุดพร้อมกันว่าบอกเจ้าวาดเนี่ยตอนนั้นสมัยก่อนหลวงพ่อเจ้าวาดที่ตอนยังไม่หมดนะพระบอกอุยโยม ไม่ไหวแล้วบอกเอาทำไงนี่มนลงมากันเดี๋ยนี้ไปสวดอีกบ้านหนึ่งย้อมก็อยู่สกกลแล้วสวดแล้วเดินอัดสวดทั้งสามสี่วันส่งไว้เจ็ดวันนี้ครับ <c oughs> ดีนี้มันจะต้องตอนมาจูงศพอโอโหไอคนที่ไอคนที่แบกรงกันเนี่ยห้าหกคนเนี่ยต้องใช้พลาสติกรองนะน้ำเหลืองมันหยดออกมามันไหลออกมา ลากสบนี่หือเป็นร้อยร้อยเม็ดไอ้ไอ้คนนั่นนะ่ะอ้วกอ้ ว, ว, วไปเลยไอ้คนคนแบกสอบอ่ะทีนี้นะทีนี้ก็เหือมันขนาดไหนรู้ไหมครับโอ้โห ท, ทีนี้พอไอตอนนั้นผมก็บวชใหม่โอ้โหสุดยอดชีวิตเลยผมเนี่ยแล้วก็บวชใหม่ใช่ไหมครับ ไอ้สัพเลเหมันจะมีมันมันมีคาถาในสัพเพเหรเวลามันจะมันมันจะเปิดฝ้าโลงมันจะท่องยันทุนิมิตังเอาวระาณกำลังจะจะโยจามนาโปตุ้มเนี่มันจะสมัยมันไอ้ส่วนเนี้มันใช้บทนี้แหละใช้บทนี้สับตึ้งตึ้งแล้วก็งัดพองัดเนี่ยสัพเพเหรเนี่ยขณะมันอยู่กับศพมันร้องอึ้กเลยมันร้องอย่างควายถูกเชือดเลยเร้องอึ้กเลยนึกแล้วตายแล้วแต่เนี้ยทีนี้เขาก็ต้องเอา เอาเอาผ้าไปพาดลงให้พิจารณามันเกี่ยงกันเลยผ้าอาจารย์ก็ถูกดันนี่ไปโอ้โหของอาจารย์เนี่ยไปทีหลังเขาตรงหน้าเลยครับ้าตรงหน้าไอเราก็จะไม่มองเฮ้ยหาคูไปคว้าสอบขึ้นมายุง่งเลยก็ยอมยิ่งโย่กันไกลเหมือนโอู้หเหมือน เหมือนแต่งหม่ก่อนไม่มีแมดมีอะไรเลยนะครับก็ไปจับเอออันนี้จะตาเนี่ยมันหลุดออกมาเลยะคร<ม>ับไอ้มันมันดันออกมาห ล, ลุดถลนออกมาแต่ไม่ถึงขนาดหลุดถลนออกมาลิ้นห้อยดันออกมาจุกปากลองคิดดูดิบอกเออฮือหอลวงพ่อเจ้าวาดบอก ก็อบอกหลวงพ่อเจ้าวาดบอกโอ้โหมึงจะทาเอาไว้ทำปบาล่ากันรือ็โอ้โหตายเน่าแล้วมันเน่าแล้วโอ้โหก็ อ, หยอย่างนี้เล่าถึงที่นี่อีกทีนึงพี่ชายของหลวงพ่อเจ้าวาดชื่อจ่าเสิร์ชนะงคุยกัน เรียนธรรมะที่นี่คุยคุยคุยแกก็แ ก, แกจะมาเอาใจใส่พระแกชอบเล่าเรื่องกรรมแ ก, แกบอกว่าแกเป็นจ่าเนี่ยมันเคยแกทํากรรมที่ติดตาอย่างนึงก็ไปจับขโมยก็ไปล้อมล้อมขโมยเนี่ยครับแกก็ถือลูกซองเป็นตำตะเป็นตํารวจนี่เฮ้ยเฮยมันวิ่งไปทางมึงแล้ววิ่งไปทางมึงแล้วก็คอยจะดักใช่ไหมจะจับมันเนี่ยมันสู้ไงไอโจร น, นี่มันสู้ พอมันอยู่กันคนละเนี่ยไอ้เป็นโคเนี่ยก็โผล่โผลขึ้นมาไอ้นั้นก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาพอดีเลยปืนจี้กันอย่างเงี้ยแต่แกกดได้ก่อนไงโอ้โหลูกซองยาวหัวกระจายเลยก็บอกนึงแกยิงหัวกระจายแล้วแกบอกติดตาแกมากไอ้เราก็บอกแกว่าย้อมจา้าต้องระวังนี่เดี๋ยวเป็นนิมิตไม่ดีนะกรรมมันจะให้ผลนะ ก็โอ้โหลักไม่ได้มันเห็นคาตาเลยว่ายิงในหัวแบกหลุดเลยว่างั้นเลยเนี่ยวันดีคืนดีก็แกก็ขับมอไซไปประมาณสักทุ่มกว่ า, วาออกจากวัดกลางนึไปตรงวัดโพคอยคอย่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นมันเป็นสมัยนั้นเป็นทางลูกลังเป็นทางลูกลังอยู่มาเนี้ยผลปรากฏว่าอัดกันกับรถตู้ง แล้วรถตู้ไม่รู้ลากแกลากแกเป็นร้อยร้อยเมตรเลยมันติดแ ก, กตรงไอ้ไอตรงนั่นแล้ ว, ลวก็ลากหัวก็ตื้ดไปแกหัวหลุดไปเลยครับหัวแกไม่มีเลยหลุดไปเลยทีนี้โคแจ้งข่าวเขาก็ศบมาที่นี่เออคื อ, อ, อตามตัวนี่ถลอกปอกเปิดหมดแล้วทำไงไม่มีใครกล้าไปล้างทำความสะอาดศพแก มีอาจารย์แล้วใครคอีกคนหนึงหลวงตะลินตายไปแล้วสองคนกันนอกนั้นก็หูอยู่กันไกลๆมันกลัวคือโศกมันไม่มีหัวทำไงอาจารย์ก็นั่งแต่อนุ่งแต่มีอังาสากระสบงก็ใช้แปลงน้ำฉีดก็แปลงเอาไอ้เม็ดหินออกตามตัวไงครับเลือดก็เต็มไปหมดใช่ไหม แล้วก็ต้องล้างอาจารไปคุณขัดเงี้ยขัดขัดขัดขั ด, ขดโอ้โหกว่าจะออกเป็นชั่วโมงครับเมื่อกี้ท่านถามว่ามันเหม็นขนาดไหนจะเล่าให้ฟังพอเสร็จแล้วก็อาบน้ำํำเลยเสร็จเฮ้ยอ่ะเหม็นหมดเลยพอหลังจากเราสอบเข้าโรงเข้าเล้วเฮ้ยมันเหม็นเหมือ น, มนน่าเกียดมากเหม็นจริงจริงเฮ้ยมันเหม็นติดตัวเราเนี่ย แล้วติดสบองจีวรต้องเอาไปแช่หมดก็ยังเหม็นทั้งคืนนะมันตามตัวเนี่ยเหม็นเอาสบู่ล้างก็ไม่ออกเอาแฟบล้างก็ไม่ออกนี่มันเหม็นขนาดนั้นนะให้นอนดมช้างเน่าๆยังมีความสุขมากกว่ามันเหม็นขนาดนั้นในศะพเนี่ยหม็นจริงๆครับทีนี้ไอ้ทีนี้มันก็เลยตอนนั้นเขาจะอสศพไว้ร้อยวันหลังจากทำพิธีเสร็จใช่ไหม คนมาเหนก็บางคนจะร้องไห้สรบสละไนี่แกเป็นโยมวัดเ <c oughs> วดนไวยกวจกรของวัดดูแลพระดีแต่นี้ก็เอาอัดใส่โลงดีๆแล้วก็ใช้ใช้กี้เทาเวครับใช้กี้เทวโลยแล้วก็อัดกบ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าทําอย่างนี้นะร้อยวันเนี่ยไอ้กีเทามันจะดูด <c oughs> แล้วก็จะดูดเนื้อออกหมดจะเหลือแต่กระดูกแค่ร้อยวันเนี่ยเราก็ทําตามสูตรเป๊ะเลยครับ แล้วครบร้อวันก็ศพแกไว้ที่นี่ที่นี่สวดมนต์สวดอะไรองนั้นก็ศพไว้ในวัดเนี่ยนะมีกุฏิหลังเล็กๆเป็นเหมือนกุฏิตั้นวันนั่นแหละเอาไว้ศพแกหนึ่งนั่นแหละกุฏินั้นแหละกุฏินั้นเราไว้ไว้มุมมุมนั้นเลยมุมแถวนั้นเลยนั่นแหละนั่นแหละวางศพแกศศพหัวขาดนี่นะไม่มีหัวเนี่ยแล้วก็ไว้อย่างนั้นแหละไปเป็นร้อยวันไปเรื่อยๆๆหน้าเก้าครบร้อยวัน ก็ไปแกะศพ่มัยก่อนเป็นป่านี่แถวเนี้ยเอาศพแกมาก็แกะเออดีแล้วเว้ยไปดูจดเหลือแต่กระดูกไงพอเปิดฝาโลงออกเออฮื อ, อมันไม่หมดเว้ยเนื้อเนา่าอะติดเต็มไปหมดเลยยังเนื้อไม่หมดน่ะทาไงแล้วเหมอนอบอวนรอบวัดเลยทถวนียเออฮื อ, อทาไงวะพรุ่งนี้เขาจะมีงานกันแล้ว คิดวิธีไงวะเ้เอากระทะใหญ่ๆมาเว้ยต้มน้ำต้มแล้วเอาเนื้อออกว่างั้นได้เลาะเนื้อออกโอ้โหปวดต้มแล้วไอ้กลิ่นมันก็ยิ่งต้องหาผ้าปิดจมูกผ้าสบองปิดจมูกอาจารย์ไม่กล้ามิตรลินเนะี่เป็นคนเลาะกระดูก อาจารย์เป็นค น, นสองไฟโอ้โหกว่าจะเสร็จโคตรเหมืนอนเลยฮะออเอาทางนั้นจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงเอากระดูกไปทำศพใช่มันเหนียวจริงเหนียว เ, เคยผ่าศพไหมเนี่ย และแต่ก่อนไม่มีอะไรเนี่ยนึกเลยโอ้โหี่เนี่ยเนี้ยไม่มีการไปกันไกลหมดเลยครับเราส่องไฟเราส่องเราอยู่ไกลๆเลยแต่ตาลินนี่โอ้ยเกโอ้โ ห, โโ ห, โโหทำแ ม, ม่แกก็เป็นญาติแกแล้วก็เป็นพระแกก็ทำในใจโอ้โ ห, โโหดดแอกอึดไวยแต่เราเนี่ยอ้วกอ้วกขึ้นขมหมดเนี้ย น, นี่ท่านถามว่ามันเหม็นแค่ไหน ผมมีประสบการณ์มาเลยผมเจอหนักกว่า น, นั้นจริงนะฮะมีคนนึงมันฆ่าตัวตายแขวนคอตายแล้วแม่ไปเห็นก็ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าอยู่ยังไงให้ไว้อย่างนั้นแล้วตำรวจก็ไม่มาสักทีก็ห้อยคอแขวนอยู่งั้นนะแม่ก็โหทำไงมันนิมนต์พระให้ไปสวดหน่อยเถอะสงสารลูกร้องไห้พระก็ไปสวดกัน สวดๆ ว, วไปมันก็หมุนหมุ น, นท่านคิดดูทีผมเจอขนาดนั้นเนี่ยไปสวดบนเขาบนป่าด้นไปครักขอในป่ากระกิ่งกระต้นไม้งั้นเรื่องเรื่องศพเนี่ยผมเจอสารพัดแต่สมัยก่อนเป็นป่าช้าใช่ไหมครับถูกลากไปกันแล้วครับไปทำกรรมฐานในป่าช้าเนี่ยต้องไปดเพ่งศบ แทบบ้านะติ ด, ต, ดติดทุกสอบครับไปดูปุ๊บเนี่ยติดตาทุกสอบอาจารย์แล้วอย่างที่เราไปอินเดียเนี่ยที่เขาาศพเนี่ยาวันเราไปดูได้ศพ อ, อ, อ้ า, อาลวลพูดถึงวิชิตกาศนะก็คือศพที่ขาดออกเป็นท่อนๆวิขายิตกาอสุภะ ค, คือศพอที่น่ากเกลียดถูกสัก กินพวกแรล้งบางกาบางสุนักบางถออือยื้แย่งกินที่โดนสัตว์กัดกินที่ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องไปบริการมอาวิขายิตกาอสุพังอสุภา ว, วิขายิตกาสุภาส่วนวิขิตกาอสุภานีศพที่น่าเกลียดถูกทิ้งเรียลายมือเท้าไปกนละทิศระทางกระจัดกระจายถ้ามันกระจายกระจายมากก็เคลียร์นะครับ เคลียสบให้มาอย่าให้มันกระจายมากพอเพลงได้แต่ห้ามห้ามไปทาห้ามไปจับมันจนคุ้นเคยนะครับถ้าไปคุ้นเคยแล้วจะไม่ติดนิมิตมันมีเทคนิคอย่างนี้นะครับเทคนิคการการการเพลงอัซซาพาเนี่ยไม่พวกนี้ไม่ติดแล้วนั้นเราต้องเอาเป็นนิมิตยิ่งมีกลัวอะไรยิ่งดีครับมันจะติดเร็ว เห็นป๊อบโอ้โหที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะเนี่ยปึ๊กมีติดเลยเหมือนผมเจอเจอศพประเภทอย่างหัวขาดเนี้ยติดติดดีจังเว้ยติดเปิ๊กเลยหัวขาดเนี้ยหรือว่าศพเน่าอ่ะที่ผมเห็นครั้งแรกอ่ะออหือตาถลนออกมาเงี้ยใหม่รู้สึกมันมันมันมันอยากให้หลุดก็หลุดไม่ได้กลับมาตอนนั้นยังบวชใหม่ผมต้องล็อกประตูหมดเลย ล็อกไม่ล็อกพอนะผมเอาเชือกมัดด้กลัวกลัวสบวชใหม่ๆแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ใช่ไหมเราก็นึกกลัวนึกกลัวเล ย, กกเลยโอ้อหมันโอ้มั น, อมนพอยอมกลับแล้วมันวัดเป็นวัดป่าท่านแล้วกุฏิผมติดกับกับที่เผาเลยอะ่ะต้องคิดดูดีแล้วห่างใช่ไหมกุฏิสมัยนั้นห่างกันมากเลยแล้วผมอยู่องเดียวแล้วผมก็พึ่งบวชเลยเนะี่ย ไม่มันมันสาหัสสักกับพระบ้าวดใหม่มากเลยแต่แต่ผมก็อยู่ได้นะแต่ว่าจ้มัดไว้ผมกลัวว่ามันจะมาดึงประตูแล้วแห่แหแหใส่ผมเลยผมนึกงั้นเลยผมก็นึกงัน้นั้นคือคอกลัวเราจะเข้าใจคำสอนแบบเชิเทงทั้งทั้งที่เราเนี่ยประสบกับอะไรเนี่ยดูไม่เห็นน่ากลัวเลยแต่ไปเจอไอ้แบบเนี้ยน่ากลัวจริงๆ มันน่ากลัวตรงที่ว่าศพมันเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนศพมันเปลี่ยนแล้วก็หาตาววิคิตกาอาสุภาก็คือศพอที่น่าเกียดถูกฟันด้วยอาวุธเป็นริ้วเป็นรอยพว mm hmm. กนี้ถูกอาวุธของมีคมเอถูกอาวุธของมีคมนมมีญาติผมคนนึง mm hmm. นี่ตอนผมบวชอยู่เหมือนกัน mm hmm. เขาเป็นโจรในายาทางหางคนนี้ mm hmm. ชอบฆ่าคน แล้วอยู่ต่อมาเนี่ยคนเขาก็ถูกเขาก็ถูกจ้างในมา่าไอ้เจ้านี้เขาก็ไปบนเขากับภรรยาเขาทีนี้ว่ามันเสียงเขาไปบนเขาก็เสียงปืนปึ้งเขาก็เลยบอกภรรย า, าก็หลบเขาก็มีปืนแล้วก็ไปสู้กับไอ้นั่นไอ้พวกนั้นมันมากันสี่ห้าคนมันใช้ลูกซองห้านัดมาเลยมาเขาก็ เขาก็ยิงตูมโขกเลยครับยิงไอ้นี้ยพอโขกปุ้งเนี่ยก็โอ๊ยแต่ไอ้เจ้ยวนี้หนังหนีวะยิงไม่เข้าใช่ไหมเหตุที่นั่นเนี่ยเมียเขาเนี่ยร้องไห้แล้วก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยไอ้นั้นเขาก็ตามยิงยิงยิงอีกนัดสองนัดแต่ไม่เข้าแต่ว่ายิงจนสุดเนี่ยแล้วก็คานหนีเขาไอ้คนนั้นก็เดินเดินเดินมาทําไงก็ยิงไม่เข้าเขาเลยจับจับผม กระดดกขึ้นแล้วเอาขวานผ่าโอ้ยแบะเลยแล้วมันเบ็ดเสร็จแล้วมันเห็นตายแล้วมันก็ไปกันแกบอกแ ค, แคเห็นกระตาเลยภรรยาของของไอ้เจนี้โอ้ยร้องไห้ลงมาครึ่งวันยังไม่กว่าจะเดินมาแล้วก็โอ้โหกว่าจะบอกตำรวจกว่าจะบอกอะไรไปอีกวันนึงสองวันเนี่ย ลองคดู okay, แล้วกว่าจะศพมาลงมาจากเขาได้สามวันไอ้ศพถูกอาวุธหนอนตัวเท่านี้หอลากลงมาพอเปิดโอ้โหหมดสภาพแล้วติดตาผมอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยสอบแบบนเนี้ยเนี่ยไอ้าตาวิคิตการ์มันถูกอาวุธฟันเรอบถูกอาวุธฟันแล้วมัน แบะหมดเลยนึกโอ้โหตายทุเลดยิงไปเนี้ยพาจากหัวเลยครับมันมันจับงายขึ้นมาแล้วก็จับผมมึงแล้วมันฟันกลางมันยิงไงก็ไม่เข้าฟันจมขวานเลยบแบะเลยหัวแบะเลยแล้วในกระโหลกเนี่ยเลยกลายเป็นที่อยู่ของหนอนเต็มเลยครับตัวยังใหญ่เลยครับเต็มหมดเลยตอนนี้นอนท่านรู้ไหมว่านอนเนี่ย มันมาจากข้างนอกหรือข้างในมีทั้งสองส่วนทั้งนอกและในถ้ามาแรงวันมาขีมามาไข่ใส่ก็เป็นข้างนอกแต่ผมทดลองกันนะครับผมศึกษาเนี่ยคำสอนเนี่ยแล้วก็มีคนตายครับคนตายเป็นโยมผู้หญิงเป็นคนอนาถา ตายเบเสร็จเกิ เ, เอาศพให้วัดผมเลยแพ็กกันเลยครับผมอยากพิสูจน์ใช้พลาสติกหุ้มเลยครับอยากรู้ว่ามันมีหนอนจริงไหมนะครับแพ็กลงแพ็กอะไรทั้งหมดไม่ให้อะไรเข้าได้เลยครับลองด้วยลองซับใช้พลาสติกอย่างดีหุ้ม แล้วก็ปิดอย่างดีเลยเจ็ดแปดวันแล้วไปเปิดกัน ห, หนอนทะลักออกมาตามอวัยวะเพศตามจ ม, มูกตามปากตามทะลักมาเต็มเต็มเลยครับครับตามทวารต่างๆออกหมดเลยครับเนี่ยปุรุวกัง มันมีมันมีตัวพยาติตัวเชื้อโลกอยู่ข้างในนั่นแหละอยู่ข้างในแล้วมันออกมาเองมันทะลักออกมาเองทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยพุทธิย่าบอกว่าแปดสิบตระกูลอัตกรถาขยายมาแปดหมื่นตระกูลในร่างกายของพวกเราเนี่ยมันมีหมู่หนอนเต็มไปหมดแต่พอตายป๊อปมันก็จะกินแล้วมันจะทะลักกันออกมามันจะกิน เนื้อกินอะไรที่มันหลุดเนา่เนาๆกินเสร็จมันจะโตอย่างใหญ่เลยครับตอเนี้ยออกมาตัวขนาดไม่โป่งมือก็มีดี้วก้อยก็มีแล้วแต่ขนาดครับฉะนั้นพวกในกระแสะชีวิตหนึ่งในร่างกายนะครับเต็มไปด้วยหมู่นอนจริงๆเนี่ยกิมมิศัพ์เนี้ยแปลว่าหนอนแต่จะเรียกตัวอะไรว่าไปเลยพยุงพยาธิเลยก็ว่าเต็มหมดพระอึดพระอมเลยครับเราอยู่กับกายแบบนี้จริงๆ แล้วอยู่กับสภาพกายที่มันเน่าแล้วมีหมู่สัตว์เต็มไปหมดอย่างนี้จริงๆผมประสบมากับตัวเองแล้วทดลองเลยครับว่าคำพีคำสอนว่าอย่างนี้จริงไหมผมพิสูจน์เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านเอ้ยท่านท่านอยู่กับศพจริงๆแต่ศพที่มีวิญญาณแล้วก็ซากสัตว์หมู่สัตว์หมูหนอนเต็มไปหมด เป็นทั้งที่ขับถ่ายเป็นทั้งที่สืบพันธุ์เป็นที่ที่ต้องคลอดเป็นทั้งที่กัดกันทะเลาะ ก, กันเป็นทั้งโรงพยาบาลอะไร้วมันเต็มไปหมดที่เกิดที่ตายเต็มไปหมดครับในกาเวลวะในกาละในกจาจกายนี้มันเป็นแบบนี้นี่คือความจริงจงจงจงเห็นด้วยปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกแต่ก่อนเนี่ยผมก็เอ๊ะ ก็เชื่อนะแต่อยากเขียนนะครับอยากเขียนเวลาเราถ่ายออกมานะครับบางทีมันมีตัวพยาธิเต็มหมดเลยครับผมก็เคยเจอผมถ่ายอะครับตัวเล็กๆนะเดินกระดึบกระดึบกระดึบครับออกมากับอุจระนี่มันยังหลุดมาได้ขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงตามเอาไว้ว่าเนีย่ยไอไอ้กลุ่มมูนอนเหล่านี้ มันพร้อมที่จะกัดคั่วหัวใจตับไตหรือปอดพร้อมที่จะทำให้เราตายได้ทุกเวลาด้ในสมองเพียงแต่ว่ากำลังกุศลมันยังหล่อเลี้ยงพวกท่านไว้แค่นั้นเองครับถ้ากำลังกุศลหมดบาปมันให้ผลอะไรไม่ต้องมีใครมาฆ่าพวกท่านไอ้หนอนในสรีระของท่านจะจัดการท่านเองและท่านจะพิการบ้างอยู่ดีๆตาบอดบ้าง หหนวกบ้างคือมันไปกัดไอ้ตัวเส้นประสาทตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยหยุดทําหน้าที่ท่านจะพิการเลยครับบางทีนอนอยู่เนี่ยเกินพิการคิดขยับแขนขยับขาไม่ได้เลยครับมีอะไรอีกเยอะมากที่เราไม่รู้นี่คือพุทธยานที่เขาไปเห็นความจริงของชีวิตของพวกเราเป็นแบบนี้จริงๆนี่มันเป็นแบบนี้ครับผมเห็นครั้งนั้นมาผมนึกโอ้โหขนาดนี้เลย นี่ขนาดนี้จริงๆเรามัวประมาทจะทํานู้นจะทํานี้จะอะไรมากมายแต่เราไม่เคยรู้ความจริงว่าไอ้มหันตภัยเนี่ยในหมู่นอนเนี่ยมหันตภัยเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเป็นเพชฌฆาตเป็นศัตรูมันก็ไม่รู้มันก็กินกัดกินไปอาศัยอาหารที่เราให้ไปแต่ละวันละวันเนี่ยมันก็ลุมมากินกัน คำที่หนึ่งคาที่สองคำที่สามมันกินเกลี้ยงในคำภีขนาดนั้นเนี่ยมันหายวับไปหมดเลยครับที่กินคำหนึ่งคำสองครับสามนั่นแหละมันก็เลยได้อาหารตรงนั้นแหละแล้วมันก็อยู่วิ่งพลานตามกระเวลวะนี้มันเป็นแบบนี้ฉนั้นพวกเราไม่ได้มีใครปลอดภัยเลยครับแต่พอเราไม่เคยตระหนักถึงคาสอนตรงนี้เราถึงประมาทไง เราถึงประมาทอย่างมากเราไม่เคยรู้นะว่าเราคิดว่าพรุ่งนี้จะไปทําอะไรมันคิดเตลิดหมดเลยครับแต่เชื่อไหมว่าทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเราไอ้มูนอนมันทําลายชีวิตหมู่สัตว์ทั้งหลายตายแล้วลมันก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายในสิริราชมันเหมือนโลกใบหนึ่งของมันอยู่ในนีแ้แหละครับนี่เป็นแบบนี้พอผมเห็นครั้งนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมกราบพระพุทธเจ้า แล้วผมนึกว่โอ้โหพุทธญาณเนาะผมนึกว่พุทธญาณเห็นขนาดนี้เนาะบอกโอ้โ ห, โหลึกซึ้งในใจผมตลอดเวลาเลยครับตอนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ปิดพระปรมาสตร์สดงเห็นเห็นแบบนี้เตือนเราแบบนี้นี่มูนหนอนเห็นไหมว่าเราอาจจะตายในยาบดยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกมูหนอนมันจะทำร้ายเราเมื่อไรก็ได้ซึ่งเราไม่มีสิทธิ์ไปขอร้องอะไรมันเลยมันจ่ออยู่ทั้งแถวหูแถวตาแถวอะไรเนี่ยแถวพรงประสาทฟันเล้งมันกัดกินได้ตลอดเหมือนกันมันกัดกินได้ตลอดนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นขาาทึงบอกศพที่มีวิญญาณ นี้กับศพที่ไม่มีวิญญาณ น, น, น, นั้นเวลาไปเพ่งพิจารณาไหมไปพิจารณาศพข้างนอกในในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแล้วก็น้อมว่านี้ศพที่มีวิญญาณไม่ต่างกันเลยอันเดียวกันแต่อันนั้นน่ะวิญญาณไปปราศจากแล้วก็คือไม่มีจิตแล้วแต่อันเนี้ยยังมีจิตเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แต่นี่ก็คือศพที่ยังมีดินน้าไฟลมยังพอกากับได้อยู่เท่านั้นเอง ถ้าเห็นอย่างเนี้ยมันละคายจริงๆไอ้ความทยานอยากจะทํามันหมดเลยมันจะเร่งขนขวายครับอะไรอยากอะไรที่เราจําคําสอนได้เป็นของเราเราไปติดเนื้อติดตัวแล้วครับอะไรที่ปฏิบัติได้นั่นแหละติดเนื้อติดตัวแล้วมันจะขนขวายอย่างนี้จริงๆแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราเกิดมาไม่เสียชาติเกินเลย โลหิตกะเนี่ยหมายถึงศพที่น่าเกลียดมีโลหิตไหลาตามล่างพวกที่ชอบคนใส่เครื่องประดับหรือแต่งกายสวยๆงามๆทั้งหลายให้พิจารณาศพที่มีเลือดอาบทั้งตัวพวกตันหาบางคนชอบเครื่องประดับเพลียวพาวนะครับพวกนี้ต้องเนี้ยให้พิจารณาศพแบบนี้จะเห็นเครื่องประดับคือเลือดแทนตันหามันจะละเลยครับแล้วก็ปุรวกะ อสุภะก็คือศพที่น่าเกลียดที่แต่นอนนอนเต็มตัวนอนมันชอนชัยเต็มมองไปที่ไหนขาวโพลนรอบเลยเนี่ยเนี่ยปุโรหะอสุภะปุโรกะอสุภะนี่แหละที่ว่านางอุปรีที่ว่าไปเห็นเข้าไปในถ้ไปเห็นในในในในโถสวมเห็นปยังปฐมชาต้ตั้งขึ้นได้ นั้นคนที่มีอัธยาศัยเคยฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัทธเจ้าเนี่ยพวกเรานี่ครับเวลาฟังอย่างนี้แล้วได้ระลึกได้ยังสังเวคะได้ยังความสลดใจเกิดขึ้นไอ้ตรงเนี้ยฝังใจท่านไปตลอดชีวิตแล้วครับถ้าท่านไปเห็นอสุภะเมื่อไหร่นะมันจะฟึบขึ้นมาเลยครับแค่ขนาดจิตเดียวที่ท่านสะเทือนใจเนะี่ยมีผลมหาศารลรอจังหวะโอกาสทันทีครับมันมีผลอย่างนี้ครับฉะนั้นท่านเราทําให้มากๆจะไม่มีผลมากได้อย่างไร แค่เราฟังแล้วเรามานตุการได้เร ล, ลึกได้อย่างนี้มันยังมีผลขนาดนี้นี่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นปัจจัยทาให้ราคาของท่านไม่กำเริบราคะไม่กาเริบแล้วก็อธิกะอสุภะก็คือมีต่กระดกสลปก็คือนี่อสุภะสิบก็มีอุทุมาตะกังวินีระกังนะ อุทุมาตะการวิณีระการอุทุ ม, มาตะการก็คือศพที่ตายแล้ว 2- 3วันวิณีระการก็ศพที่มีสีต่างๆมีสีเขียวเป็นต้นวิปุปตะการก็มีน้ําเหลืองวิจิตตการก็คือศพที่ขาดออกเป็นสองท่อ น, อนวิขายิตตการอสุภะก็คือศพที่น่าเกลียดถูกสัตว์แรงการทั้งหลายเคี้ยวกินวิกิตตะการอสุภะนี่ศพที่น่าเกลียดก็คือมือเท้าอยู่คนะละทิศละทางหัตะวิกิตตการก็คือถูกอาวุธของมีคมนะโลหิตตะกาก็มีโลหิต ปุโรกาศ ก, ก็คือหมู่นอนแล้วก็อธิกรก็คือเหลือแต่กระดูกเป็นผู้ผงแล้วอย่างนี้เป็นต้นที่เราเหยียบไปบนพื้นแผ่นดินนนั่นแหละคืออธิทั้งนั้นเต็มไปด้วยกระดูกเต็มไปด้วยซากศรรัตรูงา น, นที่เราเหยียบบนพื้นแผ่นดินใครได้ความสังเวคฆ่าสยดสยองขนาดเหยียบไปบนพื้นแผ่นดินคือกระดูกดแท้ๆเราก็เคยมาทิ้งรังในที่ตรงนี้ได้กําหนดได้อีกขนาดนั้นได้เมื่อไหร่อาทินวายานเกิดครับเข็นโทษของสังสารวัตทันทีนี่เป็นต้น นี่นี่คือกลุ่มของอสุภะกสินสิบอสุภะสิบยสบอนะอนุสติอีกสิพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติกายคตาสติจบลงด้วยอานาปานสติเจติอิมาทสะอนุสติโยนามะอนุสติวิสิปึงกันเห็นไหมอาณาปานสติเป็นหนึ่งในอนุสติ ทีนี้ในพุทธานุสติการระลึกอย่างคร่าวๆก็คือมีอรหลังเป็นต้นนั่นแหละก็คือและพระสรีละคุณของพระเจ้าด้วยเนี่ยพิจารณาทั้งพระสรีละคุณพระพุทธคุณแะจริยาคุณจริยาคุณที่บำเพ็ญบารมีสรีละคุณก็คือมหาปุริสละขณะส่วนพวกพุทธคุณทั้งหลายก็มีภาษาปัญญายานเป็นต้นธรรมานุสติก็คือ พระธรรมมรซีผลสี่นิพพานหนึ่งนะนะครับแล้วก็พระไตรปิฎกอัตถกถาดีกาใช่พระไตรปิฎกอัตถกถาดีกานะครับคําว่าพระธรรมเนี่ยพระธรรมสิบประการไงมรซีสี่แล้วนะอาเดียมรซีอาเดี ย, 4, ยผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเท่าไหร่เก้าโลกุตระธรรมเก้าใช่ไหมเวลาท่องจิตเนี่ย มรรคจิตสี่พุทธจิตสี่โลกุตระยนิพานอีกหนึ่งก็เป็นเก้าโลกุตระธรรมเก้าแล้วก็ปริยัติธรรมหมายถึงพระตริพิตกอัตถกถานดีกาหนึ่งก็เลยกลายเป็นพระสัตธรรมมีสิบเนี่ยระลึกแล้วเป็นสว่าขาตรงพระธรรมเป็นธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะปรากฏชัดได้ด้วยตวนเองเป็นต้นใช่หไหมให้ระลึกทั้งสิบประการนี้งั้นถ้าเรา ตรงนี้ต้องไปศึกษาให้ชัดถึงจะระลึกได้ถ้างั้นไม่เคยเม่อใครเคยระลึกธรรมานุติไหมเคยไหมล่ะเคยหมเห็นมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประคุระลึกธรรมกคุณกันไม่เป็นแล้วนายเป็นไหมล่ะนไมนอันนี้อาจารย์ไล่หัวข้อก่อนนะนี่ยฉันถึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเขาใช้เวลาเรียนเท่าไหร่รู้ไหมหกเดือน เ้สสบเห็นไหมคือว่าเนี่ยเราเลิ ก, กรักขนังเนี้ย <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปเจาะมันยากถ้าถ้าว่าตามหลักไม่ยากเข้าไปเจาะยังไงวิธีการยังไงอันนี้ยากมันเป็นแบบนี้ครับ นี่กรรมฐานจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกท่านต้องรู้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไล่ข้าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้สังเกตดูนะว่ากสินเนี่ยตั้งแต่ดินน้ําไฟลมเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงสีงต่างๆเห็นไหมว่ามันอยู่รอบตัวเราหมดเลยครับแปลว่าคุณเรียนกรรมฐานจนชันฉลาดไปที่ไหนเนี่ยสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งการเจริญสติได้ สอบทุกชนิดครับจะถึงขนาดภายในของตนเองด้วยก็สามารถเอามาเดินเป็นโอสุภากรรมฐานเป็นต้นได้นเนี่ยเนี่ยต่อไปนุสติพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับถ้าสังขานุสติก็สุปฏิปันโนคุณเก้าประการเนี่นข้อมูมอริยสงฆ์แล้วก็ศีลานุสติระลึกถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลที่รักษาไว้โดยปรยาศจากโทษไม่ขาด ไม่ด่างไม่พร้อยเนะ่ยไม่ไม่ทะลุอนะ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่เป็นอยู่เนืองๆอ่นะที่ตนเองรักษามาแล้วมาระลึกแล้วชื่นใจนะเป็นอนุสติขมที่วันเราทำได้นะอย่าลืมนะอนุสติจากาอนุสติก็คือระลึกถึงการบริจาคทานของตนเองที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์นะไม่โอ้อวดไม่เอาหน้าไม่เอาชื่อเสียงไม่มีการหวงแหนเป็นต้นอยู่เนืองๆอ่ะ ส่วนเทวานุสติก็ลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาหิริโอตปะก็คือเนี่ยตัวคุณธรรมที่จะทำให้เป็นเทวธรรมสัพพิสธรรมนั่นแหละที่ไปบังเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมทั้งหลายเหล่านี้ยว่ากุศลธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่ในตนมีอยู่ในตนนะครับนัเราก็เลลึกถึงคุณธรรมวศรัทธาเราก็มีศีลก็มีสุตตะจาระฆปัญญาหิริโอตปะเป็นต้นเหล่านี้มีอยู่ในเรา ก็ลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ที่ทําให้เป็นเทวดาและเป็นพรหมเป็นต้นเหล่านี้ก็ตื่นเต้นขึ้นมาพอลึกอย่างนี้เขาเรียกว่าเทวตานุสติอุปสมานุสติเนี่ยเลลึกยากนิดนึงลึกถึงคุณของพระนิพพานที่ว่ามีสภาพที่มีสันติลักษณะสงบจากกิเลสและขันห้าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมชาติที่ดับราคะโทสะโมหะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่มีรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารมิจาณน่ย สภาพที่ดับการเวียนว่ายตายเกิดดับวัตถุทุกหมดเป็นสันติสุขเป็นบรมสุขอย่างแท้จริงไประลึกถึงตรงนี้เราจะต้องเข้าถึงความสงบอันนี้ให้ได้ปนใจน้อมเข้าหาความสงบที่มีความเข้าใจในพระนิพพานเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่การนี้จะเจริญตรงนี้ได้ต้องไปเรียนลักษณะของนิพพานที่เป็นสันติลักษณะยังไงที่เป็นสาวุปาที่เสสานิพพานเป็นยังไงอนุปาที่เสสานิพพานเป็นยังไง เนี่ยเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมต้องไปเรียนนิพพานหนึ่งนิพพานสองนิพพานสามนิพพานห้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราก็ได้เรียนกันอยู่แล้วตรงเนี้ยต้องไปเรียนสภาพของพระนิพพานอย่างนี้นะครับอันนีมิตาณิพพานอปิณิหิตานิพพานเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็อะไรกันอันนมิตานิพพานสุญญตานิพพานอันนี้มิตนานิพนนพานสุญญตานิพพานนะแล้วก็ อปนิหิตะนิพพานานี้นะนิพพานสนิพพานห้าก็ปกตัวลักษณะ5้าประการมีมีลักษณะที่ว่าไม่เกิดไม่แก่เป็นต้นเหล่านี้นะนั้นลักษณะนิพพานจริงๆก็คือสันติลักษณะสงบจากกิเลสและรูปงามรูปนามขันต์ต้องไปเรียนลักษณะอย่างนี้อย่างแท้จริงแล้วใจก็น้อมเอาพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์แล้วก็น้อมเพื่ออะไรรู้ไหมครับ นิพพานเป็นบรมธรรมของพวกเรามันเป็นจุดหมายครับต้องพระเนี่ยพุทธบริษัทถ้าจเจริญอุปสมานุสติไม่เป็นจบนะแปลว่าไม่รู้เลยจุดหมายของพวกเราคืออะไรไม่มีไม่มีบ ร, ม, ม, บ ร, ม, ม, บรมธรรมเจงนะเห็นไหมว่าจริงๆมันมีความสำคัญว่าเราจะต้องมีบรมธรรมมีจุดหมายคือเราจะต้องนิพพานได้และต้องกล่าวในเรื่องนิพพานถูกต้องด้วย ไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักนิพพานอะไรมั่วๆไปงั้นอะไรเงี้ยเนี่ยลักษณะแบบนี้ฉะนั้นอุปสมานุสติกอการนึกถึงคุณของวัณจพานและก็มรณานุสติและลึกถึงความตายเนี่ยที่จะต้องประสบก็เกิดสังเวชาญาณนะเป็นความตายก็ต้องไปไล่เดี๋ยวต้องไปเรียนนะครับพอพูดอย่างย่อๆเนะี่ยจะต้องไปเรียนคณิกะมรณะเป็นยังไงสมมุติมรณะเป็นยังไง ใช่ไนะการลมรณะอากาละมรณะเนี่ยใช่ไหมครับแล้วต้องบอกว่าชีวิตตุนตินทิรูปรเฉื่อยทามรณะการขาดลงของรูปรชีวิตและนมามชีวิตไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามรณะที่ขาดลงในภพหนึ่งหนึ่งต น, นั้นถึงจะมาเป็นมรณานุสติได้เดี๋ยวต่อไปจะมีระบบการเจริญคับเะนั้นพวกเราพวกนี้ต้องเรียนเนี่ยไม่เรียนไม่ได้เลยจะไม่มีกรรมฐานเนี่ยแล้วกรรมฐานพวกเนี้ยเราสามารถเดินได้หมดเลยครับตอนนี้ มันเป็นความชำนาญว่าตอนนี้เราจะอยู่กรรมฐานนี้ตอนนี้อยู่กรรมฐานนี้มันจะมีเครื่องอยู่เต็มไปหมดเลยครับไม่มั่วเลยใเนี้ยไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้วันๆนี่ก็อยู่พุทโธพุทโธหรือสมาละหังสมาละหังไม่ใช่อันนั้นคารว่าจะว่ากันก็ว่าไปแต่นักบวชไม่ใช่นักบวชต้องมีกรรมฐานเป็นที่รองรับทุกสถานการณ์นะครับต้องมีฐานรองรับทุกสถานการณ์แล้วก็อัภิมัญญาสีเมตตากรุณาเมตตาเวขา อันนี้เคยฟังกันมาเยอะแล้วแล้วก็สัญญาหนึ่งี่สัญญาในที่นี้ก็เรียกอาหารเรปฏิกูลสัญญาพิจารณาความเป็นของปฏิกูลอาหารโอ้โหยาวมากครับในสูตรนี้ในอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่เป็นการพิจารณาที่ละเอียดมาก เริ่มตั้งแต่พิจารณาออกบินธบาตไปแสวงหาอาหารยังไงไปแหล่งอาหารเป็นยังไงในที่ชื้นแฉ่ของอาหารเป็นยังไงเห็นอาหารที่มันสกรปรกที่ในที่อยู่เป็นยังไงหลังจากจะได้มากว่าจะมาทําเป็นอาหารเป็นยังไงได้อาหารมาแล้วมามัเป็นมัเป็นปฏิกูลในในบาตเป็นไงปฏิกูลในปากเป็นไงปฏิกูลในการไหลเข้าไปยงไงปฏิกูลในการไหลออกยังไงหูครบวงจรทั้งหมดอาหารเลยปฏิกูลและสัญญา ถ้าต้องการอยากเรียนอย่างละเอียดเฉพาะกรรมฐานนี้อย่างเดียวคุณต้องฟังมาสามชั่วโมงนะึอนองอหกู ใ, กกใก๋ อ, อ, าาใอคือมันอย่างนี้บางที่พูดถึงในเรื่องของไอ้อภิต้องนั้นในในในในเรื่องขอ ง, ของในเรื่องกรรมฐานคือการโยนิโสมนสิกานครับ<ม>บางครั้ง บางครั้งเวลาไปเห็นกรรมฐานบางกรรมฐานนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปพิจารณาในเรื่องของของอารมณ์ของโทสะหรือไปพิจารณาศพเนี่ยถ้าเราไปมองเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลนะครับโทสะมันเกิดนะครับเขาก็เลยให้มองให้ไม่ปฏิกูลเพื่อให้ เมตตาเกิดอย่างนี้ครับลักษณะแบบนี้บางทีมันมองแล้วให้เมตตาเกิดแต่มันกลายเป็นตัณหานะครับให้พริกกลายเป็นปฏิกูลเกิดมันจะได้ตัดตัณหานในเข้าใจยังในในวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยครับเวลาท่านมองไปที่ผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วตัณหาท่านเกิดท่านต้องมองโดยความเป็นของปฏิกูลทีนี้พอมองเป็นของปฏิกูลไปเสร็จปุ๊บเนะ่เข้าโทสะท่านเกิด ท้องมองของปฏิกูลให้เป็นไม่ปฏิ굴เพื่อจะให้เมตตาเกิดอย่างนี้เป็นต้นนั้นคือความฉลาดในการพิกกรรมฐานเดี๋ยวไปดูอีกทีนันงั้น อ, อีกเรื่องเลยนู่นไปอยู่ในมหาปรินิพานสูตรนู่นไม่อยู่ในนีเนเน้เป็นวิธีการพิกพิกอารมณ์ในการเดินกรรมฐานนะครับและเยอะตรงนี้ถ้าไปอ่านบางคนอ่านแล้วก็มึอนอนธะิบายไม่ได้ครับตรงนี้ ถามผมยังต้องคิดตั้งแป๊บหนึ่งนีเมื่อกี้อ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่นึกออกแล้วอยู่ในหมาปรีสทปานสุดอันนั้นไม่ว่ากันแล้วก็เจตุวัวฐานก็คือมาจากคําว่าเจตุธาตุ ว, วฐานปตวีธาตุอัโพธาตุเตโชธาตุวายูธาตุในนี้อธิบายรายละเอียดไว้เยอะแล้วก็ไปอยู่ในสติปัฏฐานสูตรก็มีเกี่ยวในเรื่องของการใช้ยานปัญญาครับใช้ปัญญาเหมือนมีดนะครับ ช้ำแหละช้ำแหละกระแสของรูปกระดิ่งออกมาเป็นาธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมคือเจอเจอเจอใครที่ว่าเห็นเจ้ า, าค้าแม่สัตดบุคคลกับฟันเลยครับป like ุ๊บช้ำแหลกออกมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนเหมือนนายข่าโคไหยโคนข่าโคหรือลูกมือของนายข่าโคที่ชํานาญจูงโคไปในทางสี่แพ่งเบสเสร็จปุ๊บช้ำแหละอย่างรวดเร็วเลยครับฟึดฟึ๊ดช้ำแหละ เนื้อหนังกระดูกเอ็นทั้งหลายไปไว้คนละส่วนละส่วนคําว่าโคหายเลยครับนี่เหมือนกันที่เราเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตราตัวตนทั้งหลายเขาใช้ปัญญาในพระศาสนาพระเจ้าให้ชําแหละเลยใช้ปัญญาเข้าไปฟันแยกชิ้นส่วนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุาไฟธาตุลมเห็นเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย็นในกระดูกตายวิจัยตับน่ธาตุดินนะดีสเสด็จหนองเล่นเหงื่อมันค้นน้ําตาเปลียวมันอันนี้เป็นธาตุน้ํา ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลงพัดลงเบื้องต่ำไปต้นนี้เป็นาธาตุลมไฟยังไงก็อ บ, บนนุญวินิเป็นาธาตุไฟแยกทั้งสี่ส่วนความเป็นสัตว์บุคคลแยกบ่อยๆๆๆครับหายเกลี้ยงเลยนี่คําว่าสัตว์หลุดไปเลยเหลือแต่เพียงแค่าธาตุเนี่ยนะอันนี้ไปอยู่ในพระสูตรหลายสูตรนั้นอันนี้เป็นความเห็นว่าแล้วก็รูปกรรมฐานนี้ต้องได้รูปกรรมฐานก่อนถึงจะสามารถต่อได้มีอากาสารนันจายัตนาชาญไปต้นเราเนี่ยอจบแล้วนะเนี่ย สี่สิบกรรมฐานต้องการชี้เห็นอะไรรู้ไหมต้องการชี้เห็นว่าอุปกรณ์ในการที่จะเจริญสติสัมปชัญญะและความเพียรเต็มไปหมดในพระศาสนาพระเจ้าเนี่ยให้ให้วิธีการมีอาวุธติดเนื้อติดตัวไปโดยเฉพาะปัญญาอาวุธอาวุธคือปัญญาครับนั้นไปหนะ้าที่ไหนไม่พลาดเป็นประดุจดังเสือเหลืองซุ่ม จับกวางจับอะไรได้นะครับนี่ก็เหมือนกันจับกรรมฐานได้ทุกที่ฉลาดมากไปซุ่มหลบอยู่นี้นะครับปล่อยให้ไอ้ลูกกวางมันมาใกล้ๆตะกุบตะกบกินเหยื่อได้นี่เหมือนกันมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาประดุจ ด, ดังเสือเหลืองซ่อนฉลาดมากสาวกริทยาม่มึนมึนโง่โงนะครับไปที่ไหนไปไหนไม่มีทางเป็นาธาตุกอนกิเลสตกมาตายไม่มีสามารถยึดหาดทลายหาดเดินกรรมฐานได้เพราะจําได้หมดนะครับพลาดเดี๋ยวนี้ มาตรฐาน40ิไม่รู้เรื่องแล้วยังไม่เคยฟังไม่เคยเจาะในรายละเอียดเลยคิดดูเจ้าตัวรอดยังไงแต่ขนาดนี้เที่ยวกันแล้วนะครับพระนี่ไม่รู้เรื่องตอนเนี้เที่ยวกันไปทั่วเขาห้ามเลยสมัยก่อนนี่ไหมแปลว่าคุณต้องเรียนจบนะอยู่กับอาจารย์จนโอ้โหชำนาญเมื่อชํานาญเสร็จแล้วมันถึงออกออกเดินป่าเดินดงนะครับแปลว่ามีอะไรไหมเขาเรียกว่าฝึกจนชํานาญแล้วนะครับออกไปก็ไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี้เนไปกันทั่วมั่วหมดตายหมดแล้วครับ ถูกตั้นหาถูกทิฏฐิรัดลึ ง, ต, งตึงตราจบมันไปไม่รอดครับ น, นี่ไปที่ไหนอ่ะมันเห็นไหมสี่สิบวิธีเจ็ดหมวดอยู่ในอยู่ในใจก็ช้ำแหละหมดอันนี้สมถะนะครับไม่ใช่วิปัสนาอันนี้สมถะกรรมฐานก็่จะเป็นพื้นฐานต่อวิปัสสนานะทีนี้พอหลังจากาตรงนี้ทำเข้าใจ อันนี้แบบยอเนะ่ยนนี้ก็นี่แบบยอดเรียนไปอุเทศแล้ว เ, เราต้องเรียนนิเทศนะฮะนี่อุเทศนี่แบบยอดแบบนี้นิเทศแต่ละอย่างมีรายละเอียดเยอะทีนี้ไปนิไปเรื่องสั ป, ปายะเพศเนี่ยหมายความว่าออตัวตัวจริตหกราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตสตาจริตพุทธจริตเนี่ย ถามบอกว่าการเจริญอสุภกรรมฐานอสุภาษสิบก็ดีโกดธาบัญญัติก็โกดธาสาก็คืออาการสาสองที่เรียกว่ากายกตาสติเหล่าเนี้เหมาะสมแก่บุคคลที่มีราคะจริี่ยนี่ต้องรู้เลยเนื้อเนะี้ยแปลว่าเวลาใดราคะเกิดขึ้นคุณต้องอยู่กับกรรมฐานนี้นี่ฉลาดแล้วเริ่มผสมแล้วตัวเนี้ยถ้าเริ่มเจาะเห็นแล้วฉะนั้นคุณจะต้องจําอสุภาษได้หมดแล้วคุณจะต้องฉลาดในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเดกเยี่ยนในกระดูก บางคนเนี่ยพิจานาผมขนเล็บฟันหนังราคะไม่สงบเว้ยเฮ้ยเอาอุทุกมาตะกะมาเอาวิณีละกามาวิปุปภะกาหัตาวิคีตกามาไล่มาตามจนถึงอธิกาไล่จนหลุดนะครับเขาไม่ยอมรอกเวลาค้าเกิดขึ้นมาเขามีอุบายวิธีในการดึงกรรมฐานมาตึ๊ดตึ๊ดึงผตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊่ตึ๊ดตึ๊ีตึ๊ด่ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ ยามใดราคาคะเกิดกรรมฐานกลุ่มนี้เขาจัดการเลยครับจัดการทันทีนะฮะเขาเรียนจนชํานาญฝึกจนชนะจนอาจารย์เห็นว่าโอ้ยอนี้ท่านวันนี้สุดยอดแล้วท่านไปได้แล้วเปล่าท่านไม่ต้องอยู่กับผมเลยท่านไปเลยไปท่านยิ้มโอ้ท่านยิมยังไม่ได้เว้ยยังอ่อนแอเว้ยอยู่ก่อนฝึกตรงนี้ฝึกตรงนี้องนะอยังอ่อนแอลงนะใช้ตัวนี้ก่อนนะทั้งนั้นเดี๋ยวพลาดเลยนะในปรัศนานี้เขาเข้มกันขนาดนั้น ที่ปล่อยไปเดียวเนี่ยแปลว่าสุดยอดเขาแล้วครับตัวนี้ขนาดชนิดที่เหมือนเหมือนใครเหมือนพันนาคสมาลเถเออเหมือนใครนะที่ว่าขนาดว่าพ่อแม่ไปจ้างหญิงหญิงนะครับหญิงหญิงหญิงที่เรียนจบมายาสูตรมาจเจ้ากลับอะนาคสมาลเถระใช่ไหมชื่อชื่ออะไรนะ ที่ว่าโอ้โหอยากทำไงให้ลูกชายศึกมีลูกคนเดียวอ่ะหญิงวันนี้เสนอตัวด้วยฉันจบสูตรเรื่องล่อหลอกผู้ชายมาจัดการนี่ขอรัพย์เอาเลยแล้วนี่นเลยนีนมบ น, น, นลูกไปฉันบนประสาทเจดชั้นขึ้นไปก็ปิดประตูตึกๆึๆกๆึกึึึึ ก, ก, ก, ก, ก, กอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองพระเจ้าอยู่เชตวันเนี่ยพระเจ้า บอกว่าสงครามเริ่มแล้วเอ๊ะชื่ออะไรนะผมจะเกือบลืมชื่อแล้วสงครามเริ่มแล้ ว, วโอ้หมันมากเลยเนี่ยเออเนี่ยที่ผมดูในพยาธิวิทกผมเพิงเจอรูปเดียวนี่แหละชนะนอกนั้นโดนจับศึกเลยครั บ, รบผมลืมลืมทีม่มาแล้วอเนี่ยเพราะเพราะเนี่ยศึกษาไปอย่างดีเลยครับแล้วฝึกไปอย่างดีมาก แล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้วตอนนั้นน่ยยังไม่ได้บรรลุด้วยนะครับบรรลุทันแล้วเหาะออกข้างหน้าต่างเลยเฟิร์ฟฟ้องพระเจ้าเลย <c oughs> แต่บางองค์ที่เยอะมากนะเจอเนะี่ยจับไปโดนจับจีวรถอดจีวร อ, ออกผู้หญิงก็ามาล็อกกลับบ้าน <c oughs> เซ็ตหมดนะครับธรรมะดีนะพวกเราไม่ไม่เจออย่างยุคนั้นก็ตายหมดแล้วผมว่าเนี่ยน่าจะศึกกันหมดแล้วปัญญ์ ทำไมจเจอผู้หญิงประเภทนั้นนะตายขนาดขนาดเนี่ยลักษณะนี้แปลว่าเลยหรือไม่เรื่องกรรมฐานก็ชํานาญมากถึงแม้เขายังไม่ถึงที่สุดแต่เขาฝึกไว้จนชํานาญเวลาใกล้จะตายเขาบางทีเขาชนะเลยครับเขาเขาเรียนกันเขาฝึกกันมาอย่างนี้เลยแต่ละองค์ถามกรรมฐานไหนไล่ได้ปุ๊บปุ๊บปุมาทำได้จริงจิงด้วยทั้งแผนที่ทั้งภาคปฏิบัติกําลังดําเนินการอยู่ ฉนันไม่ต้องห่วงว่ายอมอยากจะเรียนกรรมฐานอะไรเห็นจริตของยมปั๊บยมเอายี่ติดๆจัดการไปจัดการไปแก้ปัญหายมได้หมดเจ้ว่าแต่ปัญหาตัวเองเลยครับอย่างทุกวันเนี้ยเราอาจารย์ก็สอนกรรมฐานเดียวอนาปณะอนาปณะบ่าวบออยู่เฉยๆส่งอะไรก็ส่งอนาปณะอนาปณะไม่ใช่ไม่ใช่อานาปณะบ่าวบอลนะเราน่ยได้แค่กรรมฐานเดียวแล้วเวลาราคาเกิดอานาปณะสวยเลยครับ <known> อนาปะนากันราคาที่ไหนโมหะจริตใช่ไหมมาอนาอนาปะนานี่เหมาะแก่โมหะจริตใช่ไหมตอนคนขี้ลืมอ่ะคนหลงหลวงืลมลืมเนี่ยแต่อานาปะนาเนี่ยเหมาะแก่กรรมฐานแก่หมอแก่คนทุกจริตก็จริงอยู่แต่ในยามที่เราเจอเกีเลตตัวอื่นโจมตีอ่ะเขาทิ้งอนาปะนาไปจัดการเอากรรมฐานนั้นมาจัดการก่อนแต่อานาปะนาเป็นกรรมฐานหลักอย่างเงี้ยเขาทําแบบนี้ ใช่ใช่เดินกรรมฐ า, านหลักใหม่หลักการคืออย่างนี้เห็นไหมคือมันเป็นเรื่องเหตุผลเลยครับนั่นแปลว่าเฮ้ย hey, ศัตรูมันมีปืนอาก้าม า, มมากูาา <found ing. S 1> นกับลูกซองห้านัดติงต้งติงต้งไปยิงตายโดนยิงตายเหมือนกับกูมีแค่ลูกซองห้านัดเนี่ยจะเข้าไปสู้กับศัตรูโอ้โหมันเล่นปืนกลเลยรยังไม่ที่มันมีข่าวมาเนี่ยปืนกลเนี่ยตังตั้งตั้งตังตังตังมาโอ้โห่วยเลย เคเขามีแค่เอสเคแล้วมันมีเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ที่มันตายนี่นะเขามันมีไอ้ปืนแบบเจาะก่อกระสุนคือขนาดยิงรถถังทะลุมันมีไอ้คนหนึ่งไงมันโทรเข้าไปเขาลูกน้องของเขาไหมหน่วยอารินทาราชเลยเนี่ยเฮ้ยเอ็งว่าไงว่ากลับมาคบกัาตายตายไปสองพี่ไอ้นี้ยมีคนเขาดูดไอ้เสียงเสียงคุยนี่มา อาไปตายได้ไงวะพวกเราก็มีทั้งเสือ้อกเกาะมีทั้งอะไรอี ก, อกโลกโลกเกาะโอ้โหไม่ได้ไงพี่มันมีกระสุนเจาะเกาะขนาดเลียงกันสิบคนยังยิงทะลุเลยวงั้นขนาดเอาเกาะนี่ยิงทะลุเลยเอาแล้วไปวิ่งเป็นเป้าล่อทำไมก็ไม่มีทางเลือกไอ้ไอเจ้าในร้อยคนนึงหรือจ่าสองคนเนี่ย คือเป็นเป้าล่ออยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมรายิงศาสตร์ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่อรู้ไอ้โจมอยู่ตรงไหนพอมันยิงตึ๊ดมามันก็จะเห็นเห็นไงก็ไอ้สองคนนี้ก็เลยยอมออกเป็นเป้าล่อตายทั้งคู่เลยมันไม่ใช่ในภาพยนตร์นี่ปึ๊บก็ไปกระทุ้งเกาะอะไรเรียบร้อย นี่ปนเจอกกองอย่างนี้เป็นต้นนี่กรรมฐานกันเดียวกันเนี่ยครับราคามันใช้ระบบเจอก่อ้เรามีทีกันไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมกรรมฐานเนี่ยมันเหมาะเหมาะเกศกิเลสกลุ่มไหนถ้ากลุ่มอนุสติหกมีพุทธานุสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจากานุสติ เทวตานุสติอุปปัสมานุสติหกเนี่ยนะสัตยจริตเหมาะแก่สัตยจริตครับของพวกเราก็ได้แต่แก่พุทธคุณพุทธคุณอย่างเดียวแค่นี้ยพอไปถึงธรรมคุณไปไม่เป็นเลยสังกคุณไม่ต้องพูดถึงไม่เค่ไม่เคยเจริญกันเลยเนี่ยศีรานุสติไม่บอกไม่เลยบวชมากี่ปีบางคนยี่สิบปีไม่เคยเอาศีลมาเลยลึกเลยเจ๊งแล้วเจ๊งไหมลราแบบเนี้ย แล้วไม่เรียนกันมาเนี่ยเป็นปัญหาจริงนะเนี่ยเนะียเขาเรียกว่าอุบายวิธีในการที่มีเกาะป้องกันตัวทีพระเจ้าให้ไว้หมดพระศ า, าสดาสุดยอดให้ไว้ทุกอย่างแต่พวกเรากลับไม่ไปเอาอาวุธยุทธปกรที่พระบรมศาสด า, สดาท่านไ ว, ไ ว, ไว้เอาไว้ป้องกันตัวเองแล้วฝึกใช้อฝึกใช้แล้วก็มรณ า, านุสตินี่อุบเออขอภัยนะครับ พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวตานุสติศีลานุสติเอจการานุสติข้อไภ่นี่นี่เนี่ยอันนี้สัทธาจริตครับส่วนอุปสมานุสติมรณ า, านุสติอาหาเรเปฏนกุลสัญญาเจตุธาตุวัฏานนี่เป็นพุทธจริตโอ้โหมันจเจริญยากครับมรณ า, านุสติเนี่ยจเจริญไม่ง่ายนะครับอุปสมานิพานก็ต้องมีปัญญานะครับ แล้วก็อาหาเร่ปฏิกูลสัญญาใช้ปัญญาล้วนๆนี่เป็นปรมัดนะครับเจตุธาตวฐานแยกดินน้ำไฟลมโอ้โหยิ่งยากนี่สี่กรรมฐานนี่เหมาะแก่พุทธิจริตนเหมาะแก่พวกปัญญาเดี๋ยวเราไปเรียนก็จะรู้ว่าเออจริงๆด้วยส่วนกรรมฐานที่เหลือปฐวีกสินอาโปเตโชวาโยอากาศอโลกาและรูปกรรมฐานเนี่ยเหมาะแก่จริตทั่วๆไปครับนั้นนั่นอันนั้นเป็นจริตจริต ทั้งหมดแล้วแล้วแต่แล้วทีนี้ในคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีจริตทุกจริตอยู่แล้วจึงต้องมีกรรมฐานทุกๆ ก, กรรมฐานไว้กำราบเมื่อกิเลสของเราเกิดนะไม่ใช่เดินกรรมฐานเดียวม่วงบางคนบอกอะไรนะราคาเกิดก็เจริญเมตตาเมตตาหมวกใก้โทสะจริตนะพระมิหารโทสะจริตเนะ อปามัญญาเอออปามัญญาด้วยแล้วก็พวกกสินนะพวกกสินสีทั้งหมดพวกนีละกะสินปีตากะสินโลหิตากะสินโอทาากะสินเนี่ยนะสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสี่สีเนี่ยเหมาะแก่พวกพวกโทศาสยลิตใจมันสบายใจมันสบาย คนเครียดเียง่ายๆอะ่ะแล้วก็พวกเอเพรหมิหารด้วยอย่างเราก็สอนกันได้แค่พรหมิหารใช่ไหมแต่ไม่ได้สอนพวกสีเหล่านี้ให้เพง่งทั้งเกตดูนะทุกวันนี้พวกเครียดเคียดโดยมากเราไปปลูกต้นไม้กันคนละเรื่องเลยไม่ใช่กรรมฐานแต่ถ้าไปปลูกต้นไม้แล้วก็ใบไม้มาพิจรารณาเอา้าใบไม้มาเพ่งสีงเขียวมันมันได้นิรักสิทธิ <laughs> ์ใช่ไหม เห็นใบไม้สีขาวโอโอทาตากสินเห็นใบไม้สีเหลืองโอโออพีตากสินเห็นสีแดงโลหิตากสินอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าจริงๆมีอุปกรณ์ในการผ่อนคลายกิเลสได้หมดทุกชนิดพระเจ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เกี่ยวเรียกว่าต้องรู้เรื่องจริตด้วยเห็นไหม พอรู้เรื่องจริตต่อมาก็มาต้องรู้เรื่องอะไรกัภาวนาอ๋ออน า, อาปาณะอานาปณะกับไอตัวโมหจริตผมนี้ตัดวิตกได้อเออเดี๋ยวตรงนี้บอกนิดนึงว่าทําไมอานาปาณะจึงเหมาะแก่โมหจริตและทําไมสติปัฏฐานสี่จึงเอาอานาปาณะสติขึ้นก่อนรู้ไหมครับ คนส่วนคนส่วนใหญ่ด น, นโมหาจริตและถ้าคนทําอาณาปณะสติไม่ได้แล้วกรรมฐานอื่นมันทําไม่ได้อาณาปณะสติเป็นประธานของกรรมฐานทั้งบวงเอร อ, อคืออย่างนี้ก่อนไอตัวอาณาปณะเป็นตัวฝึกสติสติที่หลงที่ลืมทั้งหลายเหล่านี้ทำให้สติแข็งแรงตั้งมัน่นเมื่อได้อาณาปณะสติแล้ว กรรมฐานอื่นง่ายหมดเลยครับแค่นั้นที่เราทําอานาปนานสติเนี่ยก็ล้ ม, มละเอียดมันนี้มันระลึกจนสติมันแข็งแรงใช่ไหมพอสติแข็งแรงไปทํากรรมฐานห ย, ยาบๆง่ายแต่ถ้าเราไปจัจบกรรมฐานหยาบก่อนกลับมาเดินอานาปนานสติก็ยากมันยากอย่างนี้แต่บางคนทํายังไงก็ไม่ได้นะครับอานาปนานสติก็ จึงค่อยไปทํากรรมฐานอื่นเช่นอะไรสติอนอเนจจัดอเนจจัดขี้หลงที่ลืมโมหะแรงจัดเพราะมันตรงเงินค่ามั้พอฝึกฝึกสติมากๆมากๆแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นคนไม่ไม่หลงลืมครับไม่หลงลืมั้นอนาปนาสติจึงเหมะแก่คนที่เป็นวิตกจริญกับโมหะจริ นั้นในถ้าถามว่าในอมในในในสติปัฏฐานพระเจ้าจึงเอาอานาปนาสติขึ้นก่อนเพราะต้องการแก้ไขคนโมหะจริตและเมื่อเดินอานาปนาสติแล้วกรรมฐานอื่นสพายะท่านในวิสุทธิมรรคเขใช้คําว่าประธานากรรมฐานาอานาปนาสติเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงเมื่อเจริญอานาปนาสติกรรมฐานได้แล้วกรรมฐานอื่นก็ เป็นเรื่องไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นเหมาะสมแก่ผู้มีโมหาจริตนี่นนะเอออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคนโมหะจริตเนี่ยเวลาจะ ไปพิจารณาพวกกระสินนะต้องทำกระสินใหญ่ๆโมหะมันเยอะมันมันมันเดี๋ยวมันจะหลับกว้างๆเนี่ยเท่าล้านข้าวยิ่งดีเลอพวกโมหะแรงๆเนี่ยแต่ถ้าพวกวิตกนะต้องทำกระสินเล็กๆทั้งนั้นมันก็มัววิตกกังวลไปเรื่อย เออ ม, มันมีสูตรมันอย่างนั้นนะครับมีสูตรมันนี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่ากันเรายังไม่ได้เข้าตรงนั้นเลยทีนี้สําหรับภาวนาเนี่ยภาวนาสามนะครับบริกรรมาภาวนาเนี่ยย่อมได้อยู่เสมอในกรรมฐานทั้งหมดในบริกรรมภาวนาเนี่ยได้กรรมฐานทุกกรรมฐานนะครับกรรมฐานทุกกรรมฐานต้องเริ่มที่บริกรรมมาภาวนา มันมีบริกรรภาวนาอุปจารและอัปปะใช่ไหมส่วนอนุสติสิบมีพุทธานุสติเป็นต้นอาหาเลปติกุลสัญญาจจตุธาตุวัฐานย่อมได้แค่อุปจารและภาวนาเท่านั้ น, เ พ, น, นเพราะไม่สามารถทำฌานาจิตให้เกิดไดจำไว้เลยนะอนุสติแปดเว้นอะไรเว้นอนาปันนะกะับอะไรกั กับการแยคตาสติออกไปนะเนะนี่เวน้นเว้ของกรรมฐานนะได้แค่อุปจาระแล้วก็อาหารเลปฏุกุลสัญญาก็ได้แค่อุปจาระจะดูท่ารูวัฐานก็ได้แค่อุปจาระไม่ถึงอปนาภาวนาไม่ถึงฌานฌานนัจิตไม่เกิดฮะอุปจาระก็ถือว่าเป็นฌานของเขาแล้วเพราะเขาเป็นเขาเรียกปริตัสมถะ ต้องรู้ด้วยนะสูงสุดของเขาอนุสติเนี่ยแปดนเนี่ยนะเว้นอานาป น, นกกายะคตากายะคตาสติเนี่ยได้แค่ปฐมฌานส่วนอานาป น, นาสติได้ถึงจตุทฌานนะครับถ้าว่ารเดหกับปัญจมาฌานแต่ว่าอนุสติแปดไม่ได้ได้แค่อุปาละอาหารเริกวัสัญญาก็ได้แค่ อุปจาระจะตูธาตุวัฏฐานก็ได้แค่อุปจาระนี่นะีนี่ต้องเข้าใจด้วยทีนี้ในอะไรอะรเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีนี้ในกรรมฐาน30ที่เหลือกสิน10อสุภาสิบกายกคตาอาณาปณนะอปมัญญาสี่อรูปสีเนี่ยให้ถึงอัปนาชานทั้งหมดเลยนะครับสาสิบ มี30กรรมฐานเท่านั้นนะที่ทำให้ถึงฌานนะครับสาสิบกรรมฐานมีอะไรบ้างกสินสิบได้ทั้งหมดอสุภัสิบก็ได้ทั้งหมดกายคตาสติหนึ่งอนาปณะนะอัปมัญญาสี่อรูปกรรมฐานสี่ในสามสิบเนี่ยสามารถถึงอัปนาฌานหรือได้ฌานาจิตนะครับโอ้ทไมทำไมไมเข้าใจหลักตรงนี้จบเลยนะ คนเวลาไปพูดเรื่องกรรมฐานเนี่ยถ้าพูดขัดหลักอย่างนี้ปุ๊บเรารู้ทันทีแล้วเจ้าเนี้ยไม่เข้าใจกรรมฐานแล้วไม่เข้าใจแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจทำไมจึงไม่ได้อันหลับแรกจำก่อนแล้วก็ให้เหตุผลทำไมจึงไม่ได้นะนยกตัวอย่างพุทธคุณทำไมจึงได้แค่อุปยาละต้องบอกว่าพุทธคุณมีอารมณ์เป็นปรมัต มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งการระลึกถึงคุณของพระเจ้าเนี่ยที่มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยสภาพจิตจะต้องมีการเคลื่อนย้ายในการระลึกจึงได้แค่ความสงบระดับให้นิวรธรรมสงบได้แต่ไม่เข้าถึงความแนบแน่นและตั้งมั่นจนถึงอัปนาแต่ได้แค่อุปจาระเหล่านั้นก็สามารถเอาอุปจาระเดินต่อวิปัสสนาญาณได้นะ เนี่ยเขามีคุณวิเศษอย่างนี้นอะนั้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลานุสติจาคานุสติอุปสมานุสติเทวตานุสติเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นจับเอาตัวสภาวธรรมทั้งนั้นเลยครับจนถึงมรณานุสตินิบจบสภาวธรรมนึงแล้ว น, นั้นได้แค่อุปจาระนะครับแต่อุปจาระตรงนี้นะถ้าว่าโดยสมถะเขาเรียกปริตฐสมถะปริฏฐสมถะมีสองส่วนนีมหคัตะกับ ปฤตตาอันนี้เป็นปะริตตาสมถะก็คือสงบเป็นความสงบที่ยังมีอนุภาพไม่มากเพราะเป็นความสงบด้วยอนุภาพของมหากุศลมหากุศลนะครับไม่ใช่สงบด้วยอํานาจของรูปาวจรกุศลหรืออรูปาวจรกุศลนะครับเป็นด้วยอํานาจอนุภาพของมหากุศลนนะครับเนี่ยถ้าเราอ๋อ พอไปเจาะเข้าลึกๆแล้วเราจะเห็นว่ามีเหตุผลไม่สามารถถึงอั ป, ปนาเป็นต้นได้ ง, งี้เป็นต้นมีใครสงสัยอะไรไหมล่ะอาถามมีมหไห ม, เ ป, ไมเป็นหนึ่งนั่นแหละแต่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่สามารถที่จะตั้งได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงเพราะอารมณ์ละเอียดอารมณอารมณ์ละเอียดลึกซึ้ง เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนเอาไม้ย่างลงในมหาสมุทรไม้ไม่ถึงพื้นมันก็เลยไม่มั่นคงเต็มที่เพราะมหาสมุทรลึกจัดการย่างลงมันถึงน้ำจริงแต่ไม่ถึงพื้นความลึกซึ้งของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ความลึกซึ้งของศีลความลึกซึ้งของของคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นความลึกซึ้งของพันิพา์ความลึกซึ้งของอิสภาพของความตายเงี้ยโอ้โหลึกจัดเนที่จะไปเห็นกระแสชีวิตที่ขาดลงจริงๆโดยสภาวธรรมจริงๆเนี่ยมันมันเจาะไม่มั น, มนแล้วอีกเนอมันเป็นปรมัตไงและเป็นขณะที่ขาดแตกดับอย่างีความตายอเงี้ย ก็เลยไม่เป็นที่ตั้งของความที่จิตจะไปมั่นคงตั้งมั่นอย่างแข็งแรงและมั่นคงซึ่งผิดกับตัวนิมิตที่ตั้งอยู่ให้เห็นเนี่ยนิมิตที่ตั้งอยู่ให้เห็นโอโ้โหเช่นอสุภางนี่นะเช่นลมหายใจนี่มีนิมิตให้เห็นไปตั้งมั่นอย่างนี้จิตก็เสถียรปึ๊กเล ย, เย อ, อย่างนี้ก็แข็งแรงอกั็จะยัง เป็นคำว่าบริการมาภาวนาเป็นแค่เบื้องตน้นพอเข้าถึงความแนบแน่นแล้วมันเป็นพลังแล้วมันแน่น <c oughs> ตราบใดที่ยังไม่สามารถมีนิมิตของลมต้องระลึกระลึกเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วโดยชนิดที่ไม่ต้อง ม, มันมีความตั้งมั่นแล้วแล้วเข้าไปดิ่งจับอารมณ์นั้นได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงแล้วไม่ต้องระลึกแล้วตัวสติหยุดถอยออกมาแล้วสมาธิเข้าไปเด่นแทนไอ้ใหม่ใหม่ที่ระลึกจะต้องให้สติทำงานอยู่ด้านหน้าแต่พอแข็งแรงและมั่นคงแล้วสติถึงถอยมาอยู่ด้านหลังแต่สมาธิเข้าไปเด่นแทนที่ตราบใดนั่นแหละถึง จ, จบภารกิจของการจเจริญสมาธิ แต่จริงๆต้องใช้ใช้ใช้ใชสติเป็นตัวนําที่คําว่าระลึกเนี่ยนึกดึงตรึงจับมานึกเน่ยหรือระลึกเน่ยอันเดียวกันนี่แหละระลึกระลึกพอไม่ระลึกแล้วลมมันหลุดไปจิตก็หลุดจากลมลมก็หายไปอย่างเงี้ยถึงต้องระลึกดึงไว้ตรึงไว้หรือจับไว้ทีนี้จับไว้จนกายจนจนสมาธิเข้ามามีพลังมากขึ้น พอสมาธิมันหลอมรวมจิตให้เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเอกกคตาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว น, นี่แหละสติลดบทบาทลงแลสมาธิเข้าไปแทนที่แล้วมั่นคงตามที่ต้องการต้องการจะมั่นคงกี่นี่นาทีสิบนาทีชั่วโมงมันก็ตั้งมั่นได้อย่างนั้นไม่หวั่นไหวเลยอันเนี้ยสมาธิเป็นสมริดผลตรงนั้น ถ้ายังไม่ได้อย่างนั้นแปลว่าไม่ไม่สำลีฝนยังต้องระลึกยังต้องดงึงต้องจับอยู่งั่นพอพอเห็นไหมพอจะเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้มีอะไรจะถามไม่ยิ้ ม, มเห็นเห็นไหมเนี่ยยังไม่เข้าอันนี้อันนี้เป็นหัวข้อจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกอุเทศ นี่อุเทศแต่เวลาเราไปนั่งยิงต้องนิดเทศทีนี้เอาต่อต่อแล้วนี่พอพูดถึงในเรื่องของคำว่าในบรรดากรรมฐานสามสบที่ให้ถึงอปนานั้นกสินสิบและอาณาปนานาเนี่ยถ้าว่าโดยฌานห้านะครับรูปฌปานหน้าทาให้ถึงรูปฌปานห้าเกิดขึ้นได้นะครับ กสินทั้งสิบเลยนะครับแล้วก็อานาปนสติเนี่ยทําให้ได้ปฐมฌาน ท, ท, าาตาทาาุติยฌานตติยฌานเจตุติฌานแล้วก็ปัญจมฌานนิวฌานห้าแล้วดีปัญจมณัยถ้าเจตุ ก, กันไนก็คือเจตุติฌานนี่นะในกรรมฐานสิออย่างนี้แหละจําไว้ที่จะทําไม่ได้ได้ถึงปัญจมฌานอสุภสิบนะครับกายคตาสติหนึ่งเนี่ยทําไม่ได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นเอ ได้ปฐมฌานแต่ปฐมฌานก็ขอให้ได้เดือยอสุภะกับกายคตาสติกายคตาสติคืออะไรวันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกใช่ไหมอาการ3ามสบสองเนี่ยทำให้ได้แค่แค่ไหนปฐมฌานนะต้องปฐมฌานงั้นต้องจำ แต่นี้ต้องทำความเข้าใจนะไม่เวลาชอบอธิบายก็มาตฐานให้โยมเนี่ยบางคนเนี่ยโยมทำกายคตาสติที่ยอมทำอสุภะสิยอมพิจารณาผมขนเล็บฟันเบื้องต้นทำการที่สุดของกรรมฐานนี้ตอบเขไม่ได้ที่สุดได้เปโตรามาชานคินต้องบอกใช่ไหมล่ะทีนี้แล้วภมวิหารสาม เมตตากรุณามุถิตาใช่ไหมอันเนี้ยทำให้ได้ฌานเบื้องต่ำตั้งแต่ไหนปฐมทุติตาตินะจตุส่วนอุเบกขาพระพุทานก็ได้ปัญญามาฌานเห็น ไ, ไหมจเจริญแค่ปัญญามาฌานอย่างเดียวเท่านั้นนึงอันนี้ว่าถึงฌานนะถ้าว่าตัวเมตตาก็ทำให้ได้ ปฐมฌานทุติยฌานตาดัดยฌานถึงจตุทะฌานกรุณาก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันได้สี่แต่ถ้าว่าโดยจตุกันนายก็ได้แค่สามนะส่วนอุเบกขาเนี่ยไปเจริญกรรในปฐมฌานทุติยฌานตัิยฌานไม่ได้อุเบกขาพรหมฐานต้องไปเจริญปัญญฌานและต้องเป็นกรมาฐานที่ต่อจากพรมหมฐารเท่านั้นถ้าทํำพรมหมฐารไม่ได้นะสจนเมื่อท่านยิ้มไปเจริญ อาณาปณะได้สมมุติว่าถึงจตุตธาชานแล้วเนี่ยเฮ้ยมาเจริญอาณาไอ้มาเจริญอุเบขาไม่ได้อุเขาเขาต้องคอยต่อยอดจากพรหมิหารแล้วนั้นะมาสายจากการการพรหมิหารอย่างนี้เป็นต้นพอเห็นไหมนี่เป็นไงสรุปแล้วก็คือว่ากรรมฐานที่ทำให้รูปฌานเกิดขึ้นได้มีจำนวนทั้งหมดยี่สิบ ยี่สิบหกยี่สิบหกมีอะไรบ้างฮะยี่สิบหก็คือกษีสิบนะอาณาปันนะอสุพภะกายะคตาสติพรหมิหารสี่ก็เป็นยี่สิบหกนะัยี่สห่ส่วนอรูปกรรมฐานก็ทำแค่อรูปรชา ด, ดิเานั้นให้เกิดขึ้นฮะ อันนี้เป็นจำแนกโดยภาวนาะอาต่อไปเดี๋ยวดูนิมิต ด, ดูนึกแล้วมาบอกให้สอนสมาะฟังละท้อไหมอ๋อไม่ท้อเนี่ยวันฟังเข้าใจไ้ยเนี่ยต้องไปฟังต่อเนี่ยเอ่อ ในนิมิตเนี่ยก็มีบริกรรมนิมิตอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตใช่ไหมบริกรรมนิมิตและอุคานิมิตเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้ในกรรมฐานทั้งหมดโดยปริยายะโดยอ้อมนะตามสมควรแก่รกรรมฐานนะครับตามสมควรแก่รกรรมฐานเดี๋ยวไปแยกอีกทีส่วนปฏิภาคนิมิตเนี่ยย่อมเกิดได้ในกสินสิบอสุภะสิบ โกดฐาสบัญญัติอาณาปณะนะเท่านั้นได้แค่นี้เท่านั้นนะปฏิภาคคณิมิตเนี่ยก็คือมีกสินทั้งสิบนี่ได้ถึงปฏิภาคอสุภาษิตก็ได้โกดาสบัญญัติก็ได้อาณาปาณ ะ, ะก็ได้รู้จะโกดานะไหมฮะ <c oughs> โกดฐาสบัญญตัติก็การสามสองพมคนเล็นฟันนะโกดฐา ในกรรมฐานเหล่านี้อุปจาระและอัปนาสมาธิทั้งสองย่อมเกิดขึ้นได้โดยอาศัยปฏิคาควัณณมิตรเป็นอารมณ์หมายความอย่างนี้คนที่ได้อุปจาระสมาธิเนี่ยกับอัปนาสมาธิจึงมีสิทธิ์ได้ปฏิภาควณมิตรเป็นอารมณ์นะในที่นี้เนี่ยได้ปฏิภาคคัณณมิตรเป็นอารมณ์นี่ใครละว่านิมิต แปลว่าเทียบเคียงต้องเฉพาะภาวนายังต้องไปอธิบายต่อนี่ยอย่างนี้บริกรรมนิมิตนิมิตในบริกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้ากําหนดไอ้กำหนดยังไงดีกําหนดเอาปทวีกสินชัดดีในขณะที่ยังต้องบริกรรมบริกรรมปทวีกสินงัง บ, บริกรรมในใจอ่ะ บริกรรมบริกรรมบริกรรมในใจอยู่ระลึกระลึกระลึกระลึกไม่ใช่ท่องนะใจก็นึกนึกนึึนึึกระลึกอยู่ตาก็เพ่งอยู่งั้นนะถ้าตราบใดยังไม่เข้าใจยังไม่สามารถระลึกเห็นได้หรือติดใจเราได้ตราบใดยังไม่เรียกว่าอุคาห์ยังเป็นบริกรรมอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องบริกรรมในใจแล้ว หลับตาลืมตาก็เห็นติดอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นอคหานิมิตเนี่ยไอตัวนิมิตที่ทําไว้อย่างไรก็มาติดอยู่ในความรู้สึกอย่างนั้นเลยเ้าจึงเรียกว่านิมิตติดตามันติดตาเราชาัดเหมือนกันกับที่เราตาเห็นเลยว่างั้นเถอะหลับตาเห็นเนี่ยชัดแล้วอันนี้เ้าเรียกว่าเป็นไม่ใช่อกหานิมิต อ, อกหาางแหมจะไปโดดไปไปภาคไ้ไงแหมทีนี้พอได้ออกหานนิมิตแล้วก็ไปเพ่งต่อไประลึกต่อให้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นให้สติขแข็งแรงขึ้นสมาธิมั่นคงขึ้นความเพียร ก, กล้าขึ้นปัญญาชัดเจนขึ้นทีนี้พอตัวสภาพสมาธิตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นนิมิตมันเปลี่ยนไหม จากนิมิต ท, ที่เหมือนมันกลายเป็นใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นจนชัดสว่างขึ้นอันนั้นก็เรียกปฏิภาคมันเป็นเทียบเคียงกับอุขานิมิตไอตอนที่เป็นบริกรร ม, มนิมิตเนี่ยตอนนั้นน่ยมันยังเป็นไอตัวรูปไอวงกลมจริงๆใช่ไหมแต่พอเป็นอุขานิมิตปุ๊บใช้วงกลมม ที่มาติดอยู่ในใจเป็นภาพถ่ายเรียบร้อยเลยแต่พอมาทําให้สมาธิจนตั้งมั่นจนถึงอุปจาระเป็นอุปจาระเนี่ยนะมันเคลื่อนกลายเป็นปฏิภาคขัิมิตรแล้วก็พัฒนาจากอุปจาระไปถึงอัปปนาก็มีพวกปฏิภาคขัิมิตรอันเดียวกันนั่นแหละเป็นอารมณ์เพราะว่ามันใสได้แค่นั้นแหละเขาเรียกปฏิภาคขัิมิตร ประเด็นก็นอย่างนี้อที่พูดทั้งหมด ห, หมายความว่าทําทุกอย่างให้ชํานาญจนสามารถเข้าถึงเช่นปัทวีกสินได้อาโปกสินก็ได้คือมันสามารถเอาไปเข้าสมาธิได้ทั้งหมดแล้วพอต่อมาเนี่ยแปลว่าชํานาญแล้วเวลาเห็นอะไรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราฝึกจนชํานาญถึงแม้ยังไม่ทันได้เนี่ยแต่วเวลาเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันกําหนดหมายได้มันชาญฉลาดในการกําหนดหมายต้องการนีง ว่าไอ้นี้ก็เห็นแล้วน่ก็รู้ว่านี่คือเครื่องอยู่ของเราทำให้ใจเข้าถึงความสงบแล้วตื่นเต้นนึกถึงว่าทรรมคำสอนของพระเจ้าเราก็เลยได้อยู่ในแวดวงของพระราชาตรายัยทุกเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องใช่ไหมล่ะเห็นผมเงี้ยเห็นขนเงี้ย เห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นเยื่อในกระดูกเนี่ยทั้งของเราของคนอื่นเนี่ยเห็นไหมกอดขาสะบัญญัติอาการสามสสองกายยกตาสติเกิดไหมชัดเลยเนี้ยเนี่ยนั่นเป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งนั้นเป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเห็นด้วยความเป็นสวยงามด้วยเงี้ยกรรมฐานมันก็เกิดตลอดมันนี่คือความจริงของชีวิต แต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ฝึกเรียนจนเข้าใจฟังจนเข้าใจศึกษาจนเข้าใจฉะนั้นกายไปเห็นอย่างเงี้ยพวกเนี่ยความชอบใจและไม่ชอบใจมันจะเกิดได้ยังไงอันนี้แปลว่ากรรมฐานมันเด่นจริงๆในชีวิตจริงเลยนะมันไปไขควนจนสามารถเห็นเห็นมาฝึกจนชํานาญอย่างงี้ยจริงๆครับหลักการยังอย่างนั้นเป็ลกกนละักษณะแบบนะั้นแต่เราไม่เคยถูกสอนกันแบบนี้ไงเราก็เคยเอาไปถึงเวลาไปทํากันเนี่ยแต่ในชีวิตจริงๆมันเห็นเต็เตมตาไปหมดเนี่ย อันนี้คือความจริงของชีวิตที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนมันเป็นอุปกรณ์ได้หมดเลยครับอุปกรณ์ที่เราเห็นทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นอุปกรณ์การเจริญกรรมฐานได้หมดเป็นที่ตั้งของสมถะกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้อันนี้พูดเพียงย่อๆยังไม่ได้เข้าคาว่ากรรมฐานเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมองแคบเลยครับมองแคบทันทีเลยนะ โอ้โหคืออย่างนี้ไม่ใช่ท่านเข้าใจผิดเลยครับพอหลังจากท่านได้สักกรรมฐานเดียวนะครับมันจะเร็วมากเลยไม่ถึงสองวันนะครับไม่ถึงสามวันนะจบหมดทุกกรรมฐานเลยครับขอให้ขอให้ทะลุหนึ่งกรรมฐานเนะี่ยเช่นทะลุอนาปนาสติปุ๊บนี่นะด้วยความชนานาญที่เราทรงจาได้หมดแล้วเนี่ยท่านจะไล่ได้ทุกกรรมฐานเนี่ยอย่างเร็วด้ยครับ กิจมันจะเร็วมากเพราะมันได้สมาธิแล้วไอ้ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะหนึ่งท่านไม่ได้จําพวกนี้ไว้เลยท่านจะไม่มีเครื่องอยู่เลยครับอยู่แค่อานาปนสติอย่างเดียวไม่รอดเดี๋ยวก็ถูกโจมตีเจ๊งเจ๊ ง, งนี่ครับเพราะอะไรเพราะจริเลมันมาตั้งเยอะในใจขอ ง, ขอ ง, ข, องของพวกเรากิเลสเต็ไมไปหมดนี่คือเครื่องป้องกัน นี่คือคือคือประตูกำแพงเมืองนี่คือควะที่เราจะต้องเข้าประตูทุกวันเนี่ยเราไม่มีไม่มีประตูปิดเลยครับบางคนเข้าประตูอนาปณะนะได้แค่ประตูเดียวเดี๋ยวพังเลยครับเอาประตูทั้งด้านของกสินสิบก็ได้อสุภาษิสิบก็ได้นะอนุสติสิบก็ได้โกฏิาสบัญญัติอนาน ได้หมดเลยได้ทั้งสี่สิบประตูมันจึงมีที่หลบภัยได้หมดเลยมีที่หลบภัยได้หมดเลยฉั้นเวลาจะออกไปสู้รบกับข้าสึกก็คือออกจากประตูของอาณาปณะก็ได้ออกจากประตูของปฐวีกะสินก็ได้อาโปกะสินก็ได้เตโชกะสินก็ได้วายโยกะสินก็ได้มันออกเข้าไปก็ไปสู้รบกับกิบกเลสเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่เยอะนี่ถือว่าน้อย ถ้าบรรดาบุคคลที่มีปัญญาและพระเจ้าหรืออย่างภาษาลิบุนเนี่ยโอ้โหเขาอยู่กันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆกรรมฐานเลยครับเขาสามารถแยกย่อยไปจากไอเนี่ยจากสี่สิบเนี่ยเขาไปขยายสีพุทธทุกสีเลยครับเขาขยายได้ทุกสีสามารถเข้าสมาบัติได้หมดเงี้ยมันกลับกลายเป็นความตื่นเต้นเลยครับสี่สิบเนี่ยไม่ใช่เยอะน้อยมาก น้อยมากนี่ถือว่าสําคัญที่สุดครับสําคัญที่สุดที่จะป้องกันอันตรายกับพวกเราครับแต่ที่มันยากตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้สั ก, กรรมฐานเลยทีนี้พอพอไม่ได้หนึ่งไงมันไปต่อไปมันไปเหมือนอย่างนี้นะเออผมจะต่อท่านยังไงวะได้ยังจิตเจตสิกโลกยังครับแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยถ้ารองท่านได้ปุบ๊บท่านจะเร็วทันทีนะครับแต่เนี้ย ยังครับยังครับมันมันเริ่มหนึ่งไม่ได้อ่ะมันไปสองไม่ได้ครับ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามันติดปุ๊บเนี่ยท่านอย่าอย่าห่วงมันเร็วหมดเลยครับถ้าท่านท่องจิตต้องเจสิกท่องรูปได้นะต่อไปพอไปตัวอื่นนะโอ้โง่ายหมดเลยตอนเนี้ยง่ายหมดแล้วทีนี้ความเข้าใจอันนี้เหมือนกันถ้าท่านจากรรมฐานสี่สิบได้แล้วนะทีนี้ไปเรียนนิเทศที่ขยายได้แล้วตอนเนี้ย แต่ว่าโอ้ปัตวีกสินังไม่รู้อะไรไม่รู้อาโปกสินังไม่รู้เรื่องอีกเตโชกสินังไม่รู้อีกแค่เมื่อพอเรียนปัตวีกสินปุ๊บเนี่ยอาโปกสินเตนโชวายโย ง, ง่ายไปหมดเลยตัเนี้เขาเขาย่อไปหมดเลยนี้ย่อฟืดๆแต่จะขยายมากก็คือเนี่ยตั้งแต่ปัตวีกสินอันเดียวอะแล้วทุกกรรมฐานตัวนี้เขาเอานี้เป็นแบบแบบฉบับเลยครับปื๊ดไปหมดเลยเนี่เป็นอย่างนี้ครับอันแรกให้ได้ะ ไม่ไม่ใช่เยอะเลยผมไม่เคยคิดว่าสี่สิบเยอะแต่ก่อนพวกนึกอย่างนั้นพอมันได้หนึ่งกรรมฐานเพราะโหแล่นเร็วมากทั้งนั้นท่านไปเจอเมตตากรรมฐานอย่างเดียวโดยแผลเมตตาพิสดารท่านจะแผลยังไงเนี่ยแผ่ไปสิบทิศมีโอ้โหท่านนึกอตายนึกแล้วตอนนี้ท่านคิดไม่ออกยิ่งแต่พอท่านได้กรรมฐานได้กรรมฐานหนึ่งนะมันเร็วมากครับปืดปืดปืดปื ด, ปด เวล า, ากโกรธเร็วนี่เหมือนกันเวลามัน ไ, ได้กุศลกุศลเร็วกว่าความโกรธอีกพวามมันเข้าถึงกุศลมันเร็วกว่าความโกรธท่านท่านตกใจตัวเอง <_ S 1> โอ้โหทำไมเปิดเปิดเปิดอย่คิดเนี่ยเร็วมากครับปะปะปะปะปะปะมันคิดได้เร็วมากตุ๊ตตุ๊ตตเหมือนเหมือนยิงเหมือนยิงเป็กนกลนะนหนึ่งนาทีออกมาเป็นพันนัดงนั้นนะจิตนี่เร็วกว่า น, นั้นอีกฮะเร็วจริงๆรินี่จิตท่านยังฝึกไม่ดี ถ้าฝึกดีเมื่อไรเร็วมากอะเร็วมากบางทีเหมือนถ้ารู้คําสอนเนี่ยถ้าท่านพูดเท่าก็ถ้าท่านฉลาดในคําสอนหรือว่าเข้าถึงคําสอนไปเสร็จพูดออกมาคนอื่นฟังไม่ทันเลยครับแต่เราพูดเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนั้นแหละจึงต้องพูดช้าๆมันจะมาอย่างเร็วเลยเนะ้ความคิดนี่แล่นปื๊ดแล้วมันจะผักคําพูดออกมาเต้เต้เต้เต้เ มีพลังขนาดนั้นเนะมันมีพลังจริงๆท่านฝึกกันได้จริงๆท่องฝึกก่มได้ก็เหมือนนยะให้ท่านวันสวดสี่สิบห้านาทีไหวไหมครับสวดปฏิโมกข์ไอ้นี่ก็สวดได้ได้ยังไงอ่ ะ, ไ, อ ไ, อะไม่น่าได้เพราะอะไรอ่ะฝึกไง มันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วเนี่ยสี่สิบนาทีสี่บห้านาทีบางคนสามสิบนาทีอเงี้ยสามสิบห้านี้เจอองค์หนึ่งยี่สิบหกครับปืด๊ดเงี้ยเขาได้จริงๆรนะฮะเขาได้จริงๆริงฉะนั้นถ้าได้แล้วมันเร็วที่ยังไม่ได้นะมันอืดอืดจริงทุกอย่างเป็นแบบนี้หมด เหมือนกันถ้าลองใจรักขึ้นมาทีวันนี้ฉันต้องหมดผมผมรักไงผมเห็นปั๊บนี้โอ้นี่มันชีวิตผมนี่ถ้าผมเกิดมาผมไม่รู้จักชีวิตผมผมก็ตายดีกว่าเพราะผมแสวงหาตนเองมาทั้งชีวิตฉะนั้นผมจะต้องรู้จักชีวิตตนเองทั้งหมดเปิดครึ่งวันได้หมดเลยครับผมผมไม่กินไม่นอนเลยผมเห็นท่องเลยครับ เขาไม่สนแล้วเรื่องตัวเองนี่เพราะผมต้องการแสวงหาตัวเองทั้งชีวิตนี่ผมเจอแล้วจิตไงเจตสิกก็นี่ก็ชีวิตไงรูป ก, ก็คือชีวิตนี่แหละถ้าเราไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จักตัวเองเก้งเลยชีวิตเนี่ยโอ้ผมท้องจริงๆเลยแต่เนี้ยผมใจรักผมรักแท้เกิดขึ้นมาจริงผมทุ่มโอ้แต่ก่อนเราทุ่มเรื่องอื่นใช่ไหมบ่าวอไปรักคนอื่นเน่ยก็ใช่ไง โทรหามันงงงงงอยู่นั่นแหละอย่างก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะไปบ้าอะไรกับมันขนาดนั้นแล้วทำไมลืมตัวเองขนาดนั้นใช่ไหมล่ะมันเกิดรักตัวเองขึ้นมาเราจะปลอดภัยได้เพราะรู้ตรงนี้เราจะพอดภัยได้เพราะมีกรรมฐานนี่เป็นเครื่องอยู่นี่แหละโอ้โหพออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดแล้ว พูดแค่นี้ยผมไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นเลยท่านปุ๊บนี่ท่านท่าไม่หลับไม่นอนเลยผมนี่ไม่หลับไม่นอนน้องดีเอา้าวตีตีหนึ่งแล้วเว้ยไม่เป็นไรแล้วเรายังแข็งแรงแต่ก่อนผมนอนสองชั่วโมงสมชั่วโมงนั่งวงก็ทวนแล้วมันเห็นเนะี่ะเวลาทวนนั่นมันเห็นนะครับมันตื่นเต้นชื่นใจโอ้โที่ตัวเราแท้ๆเลยตัวเราแท้ๆเลยนี่เรารู้จักแล้ว เรารู้จักรู้จักจักขุ่วญานแล้วโสตวิญญาณคานาวิญญาณเชี่ยวขาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้จักโลภะรู้จักโทสะรู้จักโภหะรู้จักศรัทธาสติเรารู้จักแล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้จักมันเลยโหนี่รู้จักสุดยอดมากโอ้แลเรารู้จักรูปกุศลเนรูปกุศลโลกุตนากุศลมรรคกุศลรู้จักนิพพานนี่ไงเส้นทางแนวทางที่เราต้องเข้าไปถึงถ้าเราไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อเลยเราจะเข้าถึงได้ยังไงใช่าใจไหมล่ะ นี่มันเส้นทางของเราเนี่ยว่ะโอ้โหมันตื่นเต้นไม่มีใครบอกผมแบบนี้นะผมคิดปุ๊บผมเข้าใจเลยครับเออพระขอบคุณมากเลยตอนนั้นเนี่ยพระท่านก็เพิ่งเรียนนะมาบอกผมวนะ่ไม่ใช่รู้จนจบแล้วมาบอกนี่นะโถ๊ยาอย่างงี้สงสยัยผมทะลุทะลวงมากกว่านี้เยอะผมเอาหนังสือเก่าๆนะครับไปเขียนเอาเขาก็ให้เสร็จหนังสือผมมาด้วยซ้ำไปผมก็ท่องท่องทองท่ อ, ท อ, ทอใหญ่เลย ไปวงๆแล้วก็ท่องท่องท่องโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยนี่มันชีวิตเราเออทําไมเราจะไม่เลียนเรื่องชีวิตเราแท้ๆเนี่ยโอ้โหบนึกเงียเรียบร้อยเสร็จเลยได้ดเดี่ยวยังอื่นเรายังท่องใช่ไหมข้าให้ท่องเรื่องเป็ดเรื่องไก่เรื่องหมูเรื่องอวัยวะบ้าๆวอร์ยิ่งไปท่องมาจําอะไรมันก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะต้นมุงต้นไม้อะไรเงี้ยใบหญ้าจํามาหมดรถยี่ห้ออะไรต่างๆเนี่ย ท่องมาบมบางทีวิชาหากินเนี่ยอันนี้วิชาพ้นทุกมันคนเราวิชาเนียนั่นวิชาหากินนี่วิชาพ้นทุกก็เราอยากจะพ้นทุกใช่ไหมล่ะวิชาหากินก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อยากหากินก็หากินไปสิแต่อันนี้วิชาพ้นทุกมันควรเป็นวิชาหลักใช่ไหมวิชาพ้นทุกเนี่ยวิชาหากินต้องเป็นวิชารองแต่ชีวิตเราที่ผ่านมาเราวิชาหากินเป็นวิชาหลักทั้งนี้ ว, วิชาผลทุกเป็นวิชาผลฝอยด่มันเลยกลายเป็นแบบนี้ไงสมควรไหมเนี่ยขสมควรแล้วที่ต้องติดอยู่ในวัาตถางเนี่ยใช่ไหมเพือ <c oughs> จะว่าไง <c oughs> แล้วเราเวลาท่องแต่ละคําเนี่ยแล้วมันเป็นบุญขนาดนั้นเป็นพุทธพจน์ใช่ไหมเป็นคําสอนพุทธเจ้าเนี่โอ้โห แล้วท่านจําวันนี้ได้ท่านในสังสารวัตรเนี่ยท่านฝังในกระแสชีวิตแล้วไปได้ยินพระเจ้าเทศแค่นั้นแนนลหละพระเจ้าเห็นก็แย้มบมโอดว่ไอ้นี่เหนื่อยมาเยอะเนี่ยจากการทรงจําพระเจ้าเทศเรื่องนี้ให้เราฟังเลยครับทะลุทะลวงบรรลุในเรื่องนี้เลยอนี่ขนาดนั้นเนี่ยลองคิดดูมเพื่อตัวท่านเองที่ท่านทําเนี่ยไม่ได้เพื่อใครเลยเพื่อท่านเองเลยว่างั้นเถอะจะไม่ท่องกันไม่เป็นไรใช่ไหม ก็ ก, ก็ก็มันเรื่องท่านไม่อยากพ้นทุกข์ท่านก็ท่อง ไ, ไม่ต้องไปท่องเลยไม่ต้องไปเรียนเลยรไม่ต้องใช่ไหมกลับไปอยากไปทําอะไรก็ได้ไม่เห็นเป็หาเลยก็กูจะอยู่เั็นนานๆานี้จะอยู่อย่างอะไรก็ว่าไปแต่เฮ้ยไม่ได้เลยชีวิตนี้อุตส่าห์มาเจอแล้วก็ตายไปแล้วไม่ได้เรียนยุ่งชีวิตเป็นอะไรไปรุ่องห่วงอะไรรุ่งที่วางแผนไปทั่วแล้วอยู่ตรงนี้แล้ว อยา น, นคิดอย่างเงี้ยพอจะชัดไหมเลยไปไม่ได้เยอะเลยดเดี๋ยวเอาให้จบกว่านี้อ๋อปฏิภาคคณิมิตแล้วก็ ออใกล้บแล้วนิมิตและภาวนาที่เกิดเกี่ยวข้องกัรจนถึงปฐมฌานเกิดเนาะเป็นไปลักษณะแบบนี้คืออย่างนี้คือในเรื่องของตัวกรรมฐานการเพ่งอารมณ์เนี่ยของประโยคขี่ผู้ที่เริ่มทำกรรมฐานเนี่ยในองค์กรรมฐานเนี่ยอย่ายกตัวอย่างเช่นปฐวีกสินเนี่ยเป็นตรมปริมณฑลอันนี้เดี๋ยวยังไม่ขยายก่อนขยายไม่ทันแล้ว ในขณะที่เราทําองค์ปริมณฑลของกสินมาทำวงวงวงว ง, วงมานะครับขนาดหนึ่งคือประมีนิ้วอะไรก็แล้วแต่เอาดินนี่แหละดินสียุรุณด้วยมากเขาใช้ดินสีอรุณใส่บ้านากดน็ดินปโปรง่งสิดินโปร่งดินสีเหลืองๆหน่อยดินสวยๆนะครับดินเจ้าปลวกสวยเรามาปั้นสมัยก่อนก็ทําทกันเนี่ยทําเป็นลักษณะกสินเนี่ยเริ่มทำฐานกรรมฐ า, านเนี่ยองค์ของอารมณ์กรรมฐานที่กําลังเพ่งอยู่นั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิต นะครับในขณะที่เราไปทำเปรเซนต์ขบริกรรมปัทวีเกษตรังปัทวีเกษตรังนั่นแหละคืบริกรรมนิมิตภาวนาจิตที่มีการบริกรรมนิมิตเป็นอารมณ์ในชื่อบริกรรมภาวนาเข้าใจคําว่าบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาไหมสมมุติตัวนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นตัวกระสินใช่ไหมเป็นปุ๊บนะเนี่ยไอตัวองค์กสินเนี่ยเขาเรียกบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายในขณะที่จิตของเราสติของเราเป็นระลึก รรร บ, บริกรรมปฏิวิคสินปฏิวิคสินนางปฏิวีกสินังเนี่ยนี่เขาเรียกบริกรรมภาวนาเห็นไหมตัวบริกรรมมนุษย์กับภาวาบริกรรมภาวนาเป็นไ ป, นปนลักษณะแบบนี้เวลาใดอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นอารมณ์ที่ได้รับชัดเจนด้วยจิตก็คืออารมของกรรมฐานนั้นของของขอ ง, ของกรรมฐานเน่ยเข้าสู่เเข้าสู่ลงสู่ใจและภาษาพระเรียกมโนทวารวิถี เหมือนกับเห็นด้วยตาแล้วเวลานั้นนั่นแหละไอตัวกรรมาฐานนั้นเรียกว่าอุคหานิมิตไม่ใช่แค่ทางจากขุทวา a แล้วลงสู่มโนโทวา a วิถีไอ้มโนโทวารวิถีมันจับรายละเอียดได้สแกนรายละเอียดได้ฟึบฟุสแกนได้ไม่พอนะจับปุ๊บติดเข้าไปในความรู้สึกได้เลยขเล็กนิมิตติตาภาวนาจิตที่มีอุคขานิมิตเป็นอารมณ์นั้นย่อมสงบ ตอนนั้นจิตสงบแล้วต่อจากที่ได้อุคานิมิตของพระโยคีบุคคลและพูดมีจิตสงบดังกล่าวนั้นพยายามเจริญเพ่งโดยไม่ต้องอาศัยกระสินนีกแลเพ่งตัวไหนเพ่งอุคานิมิตโดยบริกรรมสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลาใดอารมณ์ที่เหมือนกับกับอุคานิมิตหรือมันพ้นจาก คือมันมันมันมันพ้นจากตัวบริการมานิมิตแล้วมันหลุดไปจากบริการมานิมิตแล้วเข้ามาถึงอุคานิมิตมันหมายว่าไอตัวบริการมานิมิตมันยังเป็นประมัดอยู่มันเป็นของแท้อยู่มันเป็นอะไรกินองเป็นเป็นของแท้อยู่แต่พอเพ่งไปเรื่อยเรื่อยเืรื่ยรืมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันหลุดจาก อันนั้นแหละมันมากลายเป็นติดในใจเราชัดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าบัญญัติไม่เป็นไม่เรียกปรามาัดแล้วทีแรกมันเป็นปรามาัดเพราะมันเป็นภาพจริงๆมันเป็นรูปจริงๆมันเป็นมันเป็นดินดินจริงๆดินน้าไฟล้มเขาจริงๆนะแต่พอสมาธิมันเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, น, นปุ๊บมันหลุดแล้ว ไม่ใช่ภาพเดิมแล้วมันกลายเป็นอุคขานิมิตไม่ใช่บริกรรมมานิมิตแล้วไอ้ตรงนั้นจึงเรียกว่าเป็นบัญญัติเขาจึงเรียกกะสินบัญญัติไม่ใช่เป็นปรามัดไอ้ตัตวตัวมันเป็นเป็นบัญบ ญ, ญัติใช่ ไม่ไม่ไม่เอากลิ่นไม่ไม่ใช่เอาทวารจมูกทวารตาผ่านทวารตาสู่ลงทวารใจรับสไีไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปรับเสียงาชาใช่ใช่ ใช่แต่ว่าเวลามันมันเวลามันเป็นบริกรรมนิมิตเนี่ยมันยังมีสีของบริกรรมนั้นอยู่สีของสิ่งนั้นอยู่ยังเป็นปรมามัดอยู่แต่พอมันสมาธิมันแนบชิดสงบลงสงบลงปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนิมิตมันเปลี่ยนจากสีมันกลายเป็นโอค า, า, านิมิตไอ้ตัวอุคานิมิตเลยกลายเป็นบรรัญญัติแล้วครับแต่นไม่ใช่สีแล้วไม่ใช่เป็นปรมัดแล้วครับเขาเป็นบรรัญญัติแล้ว ผลจากปรมเรัเรกบัญญัติที่สําเร็จมาจากภาวนาที่ตั้งอยู่ในจิตคล้ายกับเอาเข้าไปปักแน่นอยู่ในใจเวลานั้นน่ะกล่าวได้ว่าเวลามันเปลี่ยนนะครับจากอุคานิมิตเนี่ยถ้าได้อุคานิมิตแล้วทับบริกรรมไปเรือ่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไอ้ตอนนั้นนะ่ะสมาธิมันเริ่ม Cao มันแปลเปลี่ยนนะจากบริกรรมมาภาวนานะ เริ่มจา ก, การเป็นอุปจาระพอมันแปลเปลี่ยนไปเป็นปฏิภาคขันิมิตในอุปจาระเกิดแล้วจากอุคานิมิตนะตั้งแต่ปฏิภาคขณนิมิตขึ้นไปเป็นต้นชื่อว่าอุปจาร ะ, ะพราพนาเข้าใจยังตัวตัวจิตเนี่ยในขณะที่เพ่งครั้งแรก เป็นบริกรรมอนิมิตส่วนจิตเป็นบริกรรมมภาวนาโอเคนะพอไปเรื่อยๆเบ็ดเสร็จปุ๊บน่ะเข้ามันเปลี่ยนจากบริกรรมมานิมิตรเป็นอุคานิมิตตรงนี้มันได้ปัญญัติแล้วนะจิตมันสงบเนี่ยตอนจิตที่สงบเนี่ยนี่ยได้ได้นี่ก็ไปเรื่อยนะครับ พอหลังจากได้อุกานิมิตแล้วพอนิมิตมันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยจากอุกานิมิตเป็นปฏิภาควิมิตเป็นใสขึ้นนะมันเด่นแล้วมันมั่นตั้งมั่นในใจมากขึ้นเป็นอุปจารจิตเป็นอุปจารภาวนานะครับแต่แล้วมันก็ไปเรื่อยๆพอเป็นอุปจารภาวนาเนี่แปลว่านิวรณ์สงบแล้วนะ แล้วก็พัฒนาจะอุปจาระภาวนาไปเรื่อยๆเื่อยื่อจนถึงอัปปนาภาวนาอันนั้นแหละเป็นฌานไอ้ตัวอัปปนาภาวนาเนี่ะเป็นฌานที่แท้จริงพอจะเข้าใจยังคืออุปจาระภาวนาก็คือตัวอุปจาระภาวนาได้แก่มหากรุสลเป็นกามาวจรสมาธิถ้าเป็นอัปปนาภาวนาได้แก่ รูปาวจรักุศลรูปาวัจลัปจกลปฐมฌานหนึ่งนั่นแหละเป็นอั ป, ปนาสมาธิเห็นมไหมถ้าเราเริ่มท่องได้เราเริ่มเห็นเส้นทางของเขาแล้วถ้ายังเป็นการมาวาจรกุศลอยู่แต่สมาธิมันมั่ น, นคงตั้งมั่นเขาจึงเรียกอุปจาระแต่ในมหากุศลแต่ถ้ายังไม่ใหม่อยู่ยังไม่เข้าถึงความสงบยังไม่ความตั้งมั่นเพียงแค่แค่บริกรรมเขาเรียกบริกรรมมาภาวนาแตนั้นเป็นมหากุศลอยู่นะ แต่ถ้ามหากุศลถ้าจากเริ่มจากบริกรรมานิมิตไปเรื่อยๆเราจะสังเกตได้มหากุศลเริ่มแนบแน่นหรือยังเริ่มจะสงบหรือยังก็ดูตรงนิมิตเปลี่ยนนะพอจากบริกรรมมนิมิตเป็นอุขานิมิตปุ๊บแปลว่ามหากุศลสงบเริ่มสงบแล้วแต่ยังไม่เรียกอุปจาระสมาธิต้องให้นิมิตแปลเปลี่ยนไปจนถึงปฏิภาคคือใสยอย่เงี้ยใสมากกว่า ใสเด่นชัดแล้วมั่นคงในจิตก่อนจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือกามาวจรสมาธิหรือมหากุศสนั่นแหละแต่ยังเป็นมหากุสลอยู่เต้นมามหากุสลที่มีพลังตัวนี้นิวรณไม่เกิดแล้วกามาชันธาพยาบาถีนะพิธาอุทจักกูเกจะวิจิกิจฉาออะต่อไปต่อทีเนี้ยไม่หยุดไปเรื่อยๆจากอุปจาระเพื่อเข้าถึงนี่แหละยาก มันยากหน่อยตรงนี้แหละคนบางคนถ้าหมูไม่บางคนถ้าได้ขนาดนี้นะครับเก็บตัวนะครับใครได้ปปิดภ้าคาร์ดิวิตแล้วต้องเก็บตัวแล้วนะต้องรีบเก็บตัวแล้วไปวัฟุ้งซ่านเรื่องอื่นจัดตั ด, ตดเวรเสร็จอาจารย์ต้องให้อยู่บริเวณวเผลอไม่ให้ออกวินาบาลเลยนะครับตอนนี้บางทีเดี๋ยวไปทำกรรมฐานพังส่งข้าวส่งน้ำกันเลยบางที <c oughs> ทังนั้นเดี๋ยวปิดมอ ง, มองเห็นมองหลุดไปสิอีกแล้วโอ้โหมี้อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เลยพูดให้เข้าใจตรงนี้ก่อนใช่มนทนิมิสใช่ไอตรงนี้แหละจากอุปจาระที่บางทีมันหกคำเมนตีนังการมันขึ้นไม่ได้ครับ มีอุปสรรคเยอะนะครับยังไม่บอกอุปสรรคอุปสรรคมีหลายอย่างถ้าไม่ไม่รอบรู้จริงๆเนี่ยไงายท้องคนะรับไงายท้องเยอะบางคนก็นฟึบเข้าสู่ผวังสําคัญผิดว่าเป็นชานอะไรโอ้โหอีกเยอะมากปัญหาอุปสรรคเยอะมากมันมันมันทำอะไรก็ได้ได้ดีแล้วตอนนี้เพราะมันได้สมาธิแล้ว โอ้โหเยอะแยะหมดคิดอะไรก็ออกคิดธรรมะก็ฉลาดเผื่ออาจารย์สู้กูไม่ได้เลยโอ้โ oh, หมันไปเยอะหมดครับผ ม, ผมนึกขนาดนั้นเนี่ยผมนี่ยผมคิดเร็วบาปยิงผมหนึ่งผมไปนั่งกับอาจารย์ไง oh. อะไรว่านั่งคอหักอย่างเงี้ยกู <laughs> เรานั่งทั้งคืนก็ได้ไหม น, น, นั่งแป๊บเดียวตัวคอหักอย่างเงี้ยเอ๊ยเป็นอาจารย์นี่นั่งคอหักนี่ว่าผมดูหมิ่นเลยเฮ้ยเรามันแน่กว่าจะแล้วตัวนี้นอเออกลายเป็นอย่างเงี้น ตอนนั้นท่านโดยอะไรอยู่ตดยลมอยู่คืออย่างนี้บางทีเนี่ยเวลาสมาธิมันนั่นนะครับเวลามันมันตกผวังเวลาตกผวังเนี่ยเราเห็นเราตกใจเราก็ดึงกลับที่จริงมันมันเคลิมเนี่ยนะแล้วมันจะตกเพื่อจะตกลึกเนี่ยเหมือนเราจะตกจากที่สูงเนีย เราเราไปเราระวังมันอยู่มันก็ทีสะดุ้งอย่างนี้เลยครับแต่บางคนมันเป็นอย่างนี้นะครับบางคนถ้าดูลมเนี่ยบางทีลมหายใจออกเนี่ยมันยาวหรือลมหายใจเข้าเนี่ยมันยาวกว่าออกมันถูกลมภายในผักเพราะตอนนั้น เ, นเบาเพอหายใจมันกระชากปึ๊กไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเลยเพราะลมมันยังไม่บาลานต์ครับ บางทีมันก็ถูกพักไปข้างหลังอย่างเรื่อยๆเลยเนี่ยมันเป็นอาการลมเพราะเวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยไอตัวลมเข้าลมออกจากการหายใจเนี่ยมันผักเวลาผักเราก็วูบไปดึงนี่งก็ดูว่าถ้าลมคนหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นเนี่ยจะถูกผักไปข้างหน้าแต่คนหายใจเข้ายาวออกสั้นจะถูกผักหงายข้างหลังจะเป็นอาการนี้สักระยะหนึ่งก็น่าเข้าเมื่อ เมื่อผ่านจากเข้าเข้าตรงนี้ได้แล้วจนเริ่มเสถียรสามารถรู้ตลอดสายได้แล้วลมก็จะเริ่มลมเข้าออกก็เริ่มบาลานซ์กันตอนนี้ก็จะไม่มีอาการเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าง่วงกลายเป็นว่ามันมันลงสมาธิมันจะส่งลงสู่ผวังเพราะสมาธิมันใกล้ต่อทีนะมิถะ มันเป็นมันตัวใกล้สมาธิมันใกล้ต่อเพราะนั้นบางคนจิตที่เป็นสมาธิจึงเป็นคนหลับได้ลึกคนนั่งสมาธิจึงหลับได้ค่อนข้างเสถียรดีที่สุดแต่นั่งสมาธิที่ได้คุณภาพหนะึ่งเพราะมันใกล้ต่อเวลามันส่งลงสู่ผวังก็ส่งลงลึกแต่ถ้ามันพัฒนามันส่งขึ้นอ ป, ปนามันก็ต้องใช้พลังเต็มที่ในการส่งขึ้น ไอ้ตรงนี้มันดึงยากมากคุณต้องไปบริหารอาจารย์ต้องชํานาญบริหารอินทรีย์ยังไงทําศรัทธาทําวิริยะทําสติไอ้ทำทำทำวิริย ะ, ยะกับสมาธิทําศรัทธากับปัญญาให้บาลานกันยังไงปรับโพชงยังไงโอ้โหทึ่เป็นเรื่องหนักเลยอาจารย์ต้องผักคลองอย่างหนักเลยครับตรงนี้สักถามกันแล้วต้องปรับกันอยู่อย่างนั้นเลย สารพัดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติยามใดที่มันได้สมาธิก็ไม่อยากออกยามใดที่ฟุ้งซ่านเมื่อไรจะตีละครั้งเท่าตีอก็ ม, อก ม, มันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนั้นต้องใช้ต้องใช้กําลังความเชื่อมั่นกําลังของความเพียรกําลังของสติเลยรมันค่อนข้างมาั่งแล้วก็ต้องขวนขวายเต็มที่นะครับถ้าไม่มีพลังตรงนี้ก็ไปไม่รอดคิดดูทีว่า เราต้องไปเดินอยู่คนเดียวในขณะที่หมู่สัตว์มันสนุกสนานเพลิดเพลินในกามนี่มันก็ต้องมาจูงชักใจเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติงั้นคนต้องใจเพชรใจเด็ดใจเดี่ยวจริงๆครับถึงจะออกจากกิเลสได้